ฝาขวดถ้าฝาขวดนี่มันไม่ได้ล็อกมันก็มันก็หลุดบอกว่ uh huh. างั้นคุณไปหาฝานี้มา uh huh. ผมใช้เวลาเจอท่านปีหนึ่งก้าจริงไหมผมก็ยังไม่รับเลยเพราะมันพวเรานั่งทําแบบนอแบบพูดโทรแบบนับรวมหายใจมาเนี่ยโอ้ uh huh. มันมันได้ความสงบเนาะ uh huh. มาปีสองศูนย์ท่านย้ายมาที่วัดสนามใน uh huh. ผมเลยตามไปที่นั่น ตามไปผมก็ไปเจออาจารย์กวิจเจอครูอาจารย์ที่ที่เคยเป็นอาจารย์สอนนึงสามเมื่อก่นเนะาะก็มีครูอาจารย์เพื่อนกันจากทีโดนบังจากจุวลาบังพานึงสามาฟังท่านท<ะ>่านก็นำไปหารช่วเพียงผมก็ไ อ, อคนเหล่านี้ทำไมเขาทำนะํำเขาเป็นชั้นครูบาว่าอาจารย์ชั้นปัญญชนนะทำไมว่านั่งโยกมือกันใ<อ>นที่สุผู้แอบไปในในสวนครับในสวนที่วัดสนาในในมีสวนทุเรียนนะเนาะผมก็ไปนั่งทํา ตอนนั้นผมหัวปั่นเกี่ยวกับผมเดชบาลีผมก็จะสอบเอป็นนักวิชาการเกี่ยวกูบวิาศาสนา์เคร่วัดประยุนของคุวัดประยุนนั่นเองนะแล้วก็ไอ้บาลีก็จะสอนด้วยทั้งสอบทั้งสอนแล้วหาจุฬาก็เรียนมัวุ่นในหัวหมดเลยครับในที่สุดผมวางนมือผมก็มานั่งทำมาให้ขยินเนี่ยโดยความที่เราเราเล่าไม่ได้นะ ไม่ประมาณห้านาทีไอสิ่งที่วูนในหัวมันมันโล่งหมดเลยเออผมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันมึนมันงงอะไรต่างเลยเลยทําต่อไปเป็นเวลาไม่ต่ากว่าสองชั่วโมงครับประขวว่ามันมันตื่นตาตื่นใจขึ้นมาจากภาวะที่หนักหนักนะมันดูถ่ายเป็นจากนั้นมาผมจึงยอมรับหลวงพ่อเรียนในการยกมือสร้างจังหวัดแต่เรดินจูงมือผมยังติดหนออยู่นะก็เดินช้าตามจังหวะที่หนอสอนวันหนึ่งหลวงพ่อ ท่านเข้ามาถามถ้าคุณเดินไปที่ไหนถ้าเกิดไปเจองูเจอยิ้วแล้วเจออะไรที่เป็นอันตรายคุณจะเดินอย่งนีไหมโอ้ผมก็วิ่งอยู่นะพอเออนั่นแหละเราฝึกสติมาเพื่อปรับตัวเองให้เหมาะกับเหตุการณ์ไม่ใช่เอารูปแบบมาทำมอือนะเออผมก็เดินอย่างจริงจังอย่า่นี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเหตุบางอื่นให้เรา นั่นก่อนนะหลังเห็นว่าผมก็ติดตามเรื่อยๆผมไปอยู่วัดสันนนในสิบหกวันนี้ในขณะสมัยนั้นมันออกพรรษาใหม่นะเดี๋ยวที่อกาศหันฝ่าใบไม้กําลังหลุดเนาะที่นี่พระก็อยู่กันไม่มากก็กวาดใบไม้ทั้งวัดมันปวดแขนก็ไหลหนักมากเลยนะครับที่ผมก็ตามดูตามไปตามตอนแรกมันก็หนักเราไม่ได้รู้พอมันหนักเราหันมาตามครับรู้มาสักพักเอ้ยตัวหนักๆในในไหลเท่านั้นเองมันมันหลุดไปว่างเลย พิติขึ้นเลยตอนเรียนวันนั้นนะปิติขึ้นมาทําให้เราเดินเหิอนอะไรนี่เหลอหลาลนะอะไรเพราะมันลอยค่อยๆลอยนะท่านก็มาสอบปริญญาพระบัวทำเล่นๆทาสบายๆอย่าไปเพ่งดังนั้นเขาว่ารูปนามท่านท่านบอกว่าตัวกา ย, ยมันเป็นรูปแต่ถ้าไม่มีเวทนาการไม่มีความหมายเพราะมีเวทนา ใช่ไเวทนาเขาบอกมีทสองอย่างคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางจิตถ้าเราสติสัมยาที่ฝึกไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันไปเบรกเวทนาทางกายจํากัดอยู่ที่กายไม่ได้มันจะต้องไหลไปสู่จิตและเวทนาที่ไหลไปสู่จิตนั่นเองคือตัวไปสร้างตัวคิดตัวจิตขึ้นมาเพราะเวทนาทางกาย 90% คือเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมครับสุขเวทนาคือช่วงที่เราบำบัดทุกขไปปรากฏสบายมานิดหนึง่ง สูงมีแค่นั้นเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ที่คิดก็ได้ข้อมูลมาจากเวทนาทางกายที่เราไม่มีสติปัญญาสกัดให้มันอยู่ได้อยู่กิบกายตัวรู้สกต่ว่ารู้นี่น ะ, <c oughs> ะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นตัวรูปกับเวทนาทางกายท่านเรียกว่ารูปครับแต่พอตัวเวทนาทางกายเนี่ย เราสกัดไม่อยู่มันไปสร้างรูปของจิตเรียกว่านามรูปที่ อ, อมาเป็นความพอใจไม่พอใจใช่ความคิดอะไรพวกนี้เขาเรียกานามนะเพราะฉะนั้นนามตัวนี้มันเกิดเป็นความคิดมาเพราะนามารูปใช่ไหมเพราะนามรูปที่สร้างมาจากตัวที่เราไม่สามารถสกัดเวทนาทางกายได้อยู่มันก็ไปสร้างตัวเวทนาทางจิตเพราะฉะนั้นกมรมาฐานทุกหมวดทุกห ม, กหมกู่ทุกวิธีการมาทําหน้าที่ในแง่ของสมถานคือมาสกัดกั้นเวทนาให้จํากัดขอบเขตอยู่ที่ รูปแต่ถ้าสติชั้นยัดตรงนี้ที่ฝึกมาฝึกฝนไม่ถูกฝกฝน ไ, ไม่ดีหรือฝึกฝนไม่พอนี่มันก็จะเอาไม่อยู่ตัวนี้มันไห ล, ไ ป, หลไปสู่ชีวิตมันเป็นสัรชาติยานเดยแ์แต่เกิดแล้วที่เกิดมาไม่รู้กี่พุทธิชาติก็เพราะตัวนี้ทั้งนั้นเลยที่นี้เมื่อตามไปดูรูปต้องให้เห็นตัวเวทนาถ้าดูรูปนามหมายควาแยกระหว่างเวทนาเราขอพี่เราเชื่อกัน คือไม่ให้เวทนาในใจไปเป็นไปเป็นความคิดที่นำมารูปนะอันนี้เรียกว่ารู้รู ป, รปนะในขั้นตอนของท่านนะจะถามทันนไ้มครับครับท่านครับแต่คร น, นี้คาว่าเวทนาเนี่ยมันมีอะไรที่มันจะเป็นเวทนาบ้างความเจ็บปวดเวทนาทางกายที่หมายถึงเวทนา<ร>ต้องถามผลว่าต้องต้องย้อนกลันว่าเวทนาทางกายเนี่ยเราเรียกว่าสุข ท, ทุกข์กับทุกข์ก็มีสุขอย่างไ ไม่ทุกไม่สุขอันนี้เป็นเวทนาจ่ายสาตัวนี้นะความสบายคือสุเวทนาใช่ไหมครับสมเวทนาสามตัวนมาจากไหนสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์ของการนี้มาจากหมาจากกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังในตาใช่ไหมเพราะไตรลักษณ์ตรงนั้นอานิจจังเพอมันเปลี่ยนเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้รู้หมายความว่ามีสติเข้าไปปรับถ้าปรับเปลี่ยนโดยไม่รู้หมายความว่าสติตรงนั้นเป็นสัญชาตญาณ แต่มีสัมพยยััญญาเข้าไปสติค่อยปรับระดับหนึ่งตัวอ น, นิจจังโดงนัันเปลี่ยนมาเป็นตัวสติคือรู้เนื้อรู้ตัวทีนี้ถ้าเราด้วยสติสัญชัยญาณที่มีโดยทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่พบกันเลยในนีมิตรเราจะไม่รู้เลยว่าคนมีแต่ละคนมีสติสองระดับใช่ไหม ค, คือระดับที่รู้และไม่รู้ ค, รคนทั่วไปจะจะแยกไม่ออกเลย เราะนั่นก็นคือสติที่คุณทั่วไปมีแต่มันไม่สามารถจะไปะจัดการกับแยกระหว่างเวทนาทางกายเข้าไปสุจิตมันทาตรงนี้ไม่ได้จนกระทั่งเอาตัวสติสัญชัยญาณมาพัฒนาให้เป็นสติปัญฐานก็คือมาทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะีวิธีการกรรมฐานต่างๆเพื่อมาพัฒนาให้มีกําลังให้สติสัญชัญาณให้มีกําลังพอที่พัฒนาเป็นสติที่เป็นปัญญาญาณตัวรู้ตัวนี้แหละที่จะทําหน้าที่ในการแยก ระหว่างตัวเวทนาทั้งสสุขเวทนาถ้าสติคุมไม่อยู่มันกลายเป็นความโสมนสัสสะเวทานานะเนกิดในจิตได้ใช่ไหมครับทุกเวทนาที่เราไม่ได้ตามรู้มันไปเปลี่ยนเป็นโทมณัสสะเวทานาแล้วอาทุกข์ก็ไม่สุขเวทนาถ้าสติตามรู้ไม่ทนันมันไปเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเวทนาสามตัวนี้เป็นทางจิตได้ใช่ไหมแต่สุขทุกขก็อทุกขไม่สูญที่เป็นเวนทนาทางกาย ความเจ็บปวดที่อยู่ในอันใดนะครับความเจ็บปวดนี่เป็นเวทนาทางกายอยู่อ๋อครับเป็นเวทนาทางกายแต่เวทนาแบบที่เป็นทุกข์อ่าเป็นทุกขเวทนาความเจ็บปวดเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมแต่ถ้าสติไม่ได้ตามรู้ทุกขเวทนาทางกายเนี่ยตัวนี้ก็จะเกาะเป็นโทมันสเวทนาทีนิดคือเรียกว่ารู้สึกไม่ชอบครับไม่พอใจก็พยายามจะผลักออกพยายามจะผลักออกแทนที่จะไปตามรู้ใช่ไหมแทนที่จะผลักพอไปผลักออกปักมันเกิครับ ตนี้ก็จะพัฒนาเป็นโทสะเป็นโกธาเป็น อ, อะไรไปเรื่อยครับโอ้จุดนี้เองอันนี้ผมม า, ม า, มาวิจัยตามที่หลังนะครับอารมณ์อารมณ์คือหลังจากที่ตัวเวทนาทั้งสามแปลงเป็นนามรูปแล้วตัวนามรูปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสามอารมณ์ตัวโทมนัสสะเปลี่ยนมาเป็น อภิชาอภิชาไม่ใช่อภิชานะอภิชาตัวโสโมนัโทมนัตโสโมนัตเปลีป่ยนเป็นอภิชาโทมนัตเปลี่ยนเป็นโทมนัตเป็นตัวโทมนัตตรงเลยนะแล้วตัวอนุขเขาไม่สุขนั้นเปลี่ยนเป็นอุเปขาเวทนาพูดเนี่ยผมไม่เข้าใจภาษาจำหลักนะภาษาชาวบ้าน ง, ง่ายก็คือเมื่อสติ กำหนดรู้ทั้งความสบายไม่สบายหรือความรู้สึกไม่ชัดเรืวอะทุกข็มาสุขนะจะเป็นสุข ก, ก็ไม่ใช่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่ถ้าสติตามรู้ตัวรู้เป็นรู้ไม่ทันต่างสามันมันก็จะเปลี่ยนเบทนาทางจิตคือความยินดียินร้ายและความเฉยๆกลางความยินดีและเฉยต่ความยินดีแล้ ว, ล ว, ลวเรายัางตามรู้ไม่ทันอีกมันก็จะเปินความ <c oughs> ติดใจความชอบใจ ความไม่ชอบใจและความไม่ไม่สนใจอารมณ์ก็จะมียินดียินร้ายไม่เฉยเฉยชอบใจในในโชยินดียินร้ายเฉยเป็นขั้นเวทนาระหว่างกายกับจิตอยู่<อ>แล้วขั้นอารมณ์อะฮะเป็นขั้นอารมณ์ก็คื อ, อ, อาาตัว <c oughs> คือความชอบใจไม่ชอบใจและก็ความไม่สนใจเนี่ยแล้วแปลว่าอุปิขาภาพ แ, ลแปลว่าไม่สนใจก็ได้กันนะความชอบใจติดใจก็คือตัว อภิชาควาไม่ชอบใจกระทมนัโลโทสระมุหอันนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้จะพัฒนาต่อไปครับเมื่อเราไม่มีจิตตามรู้ตัวอภิชาคือชอบใจมันก็ตัวชอบใจพัฒนามาเป็นนันทิครับเริ่มต้นตัวเชื่อมที่จะไปสู่อารมณ์ต่างคือตัวนันทิครับเพราะมันจ่าเข้าที่ตะปนันทิแล้วมันก็กลินจากแรงจะท่าจากเวทนาเนี่ยเป็นเป็นจิตอารมณ์เป็นจิตแล้วเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วเห็นไหม วันนี้สรุปว่าวินากษ์ก็จความพอใจกับความไม่พอใจความรู้สึกเฉยเฉยผมจะแปลว่าแปลว่าไม่สนใจทุกมีสุขแล้วก็อาทุกข์ขมสุขทุกข์เรียงหน่อหครับว่าของเดิมแท้มันคืออนิจจังทุกขังหน้าตายเมื่อสติตามรู้ไม่ทันต่อการอนิจจังมันก็จะเป็นสุขเวทนาแต่ตามไม่ไม่ทันตามรู้อนิจจังมันก็จะเปลี่ยนเป็น ทุกุภิธานาแล้วก็ไม่ชัดเจนทั้งสองข้างจะเป็นอุทุกขมสุกุภิธานาไอ้ตรงนี้แต่ถ้าสติ <c oughs> ตามรู้ทันอณิจังพักเนี่ยนณิจังเปลี่ยนเป็นสติตัวทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิตัวอนัตตาเปลี่ยนเป็นอุทุกเปลี่ยนเป็นปัญญาทางกายกันนะฮะเรา ต, ต้องมารับรู้ทางกายเพราะนั้นมันไปเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เราชุดแรกอณิจังทุกขัง ถามว่านิจังทุกขังอนัตตามาจากไหนตัวนี้มันขึ้นไปถึงถึงหัวโป่ยอดลงมาเลยอันนี้จังกับทุกขังมาจากไหนจากการเกิดครับอนัตตาคืการดับ ม, มาจากตรงนั้นเลยเพรา ะ, ะนั้นญาณแรกที่พระพุทธเจ้าเรียว่าไปรู้ปุเพใช่ไหมครับต่อมาก็จุติและอุบัติตัวจุติหรืออุบัตินี่เองตามไปรู้การเกิดกับการดับ ทุกขัมันอยู่ตร ง, <c oughs> ตรงกางทุกขังนี้เมื่อสติตามรู้ตัวอ น, นิจจังการเกิดไม่ทันแล้วมันก็จะไปเป็นแต่ตัวอ น, นิจจังทุกขอังนอั้นตายไร้รันั่นเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของรูปโดยเฉพาะเลยครับแต่พอมาเป็นโทมนัสโสมนัสและอุเเกขาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตหลักอยู่ระหว่างขงังเพราะฉะนั้นการฝึกสติฝึกสมรยักษ์ฝึกปัญญาต้องมาตามเห็นชัดทั้ ง, ท, งทั้งองค์ประกอบ ทสองอย่างคือมันจะไ ต, ต่ขึ้นไแรกขึ้นมาเหมือนลากขึ้นมาไต่ขึ้นมาเกิดตัวไม้คือตัวเกิดแล้วผ้ามัน้ตงตออย่างเงนะี้ยชาวบ้านเขาจะเข้าใจเาจะเข้าอ๋อนี่ผมผมพูดถึงที่ไปที่มาน ะ, ะมันจะไปอย่างนี้ไหมเพราะว่าอันนี้คือหลักปริยัติปฏิบัติน ะ, ะ, ะแต่ถ้าในภาคปฏิบัติพูดให้สองอย่างคือรูปกับนา ถ้าเราทำตรงนี้ได้มันจะรู้มันจะรู้ไปใช่มันจะไปของมันเองเลยแด่มันไปเส้นครับด้วยอนุมัติเดยวมันจะไม่าอย่างไรมันก็ต้องลงล่องเดียวกันลงล่องเดียวกันหมดครับพอหลักถ้าไม่ลงล่องนี้ก็ถือว่าผิดปฏิบัติมันไม่ใช่ไม่ผิดเรียกว่าไม่สมบูรณ์นะใช้คว่าไม่สมบูรณ์ดีกว่ามันเป็นไปโดยโดยธรรมชาติเลยโดยตัวของมันโดยตัวของมันเองเลยถ้าเราปฏิบัติแต่ที่ผมอ้างถึงปริยัติเพื่อให้เห็นว่ามันสอดคล้องกับที่พุะเจ้าสอนอย่างไรนะแต่หลักที่มเทียนสอนคือ ให้รู้สึกตัวแล้วก็ให้รู้ที่กายนะครับใจสองอย่างนี้ก่อนให้รู้ชัดๆว่ากายคืออะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายซึ่งภาษาของท่านที่เขาเรียกว่ารูปนามแล้วก็รูปธรรมนามธรรมใช่ไหมครับ<ล><ล>เร อ, อคุณอนนี้ใน่วงของการฝึกปฏิบัติเคล่อนเคลื่อนไหวมือศีรษะอย่างไรครับที่จริงแล้วผมเกิดหลวข้อที่หนึ่งนะครับ ที่ผมมีศรัทธามากนะฮะกับหลวงพ่อเทียนปีผมเคยไปฝึกนั่นอานาพานสี่ตั้งแต่สมัยนู่นนะครับเพรปีนี้ผมมา57แล้วผมเคยไปฝึกที่สวนโมกนะฮะตั้งแต่สมัยท่านกุศลธาตุยัโอ้ตอนนั้นปีพศประมาณนะโอ้ตอนนั้นพศออ2526 27โยก27นะผมไปไประเทศฝพศ16นะ ผ ม, ผมใจแล้วก็แล้วก็มีไปสองครั้งแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไปตรงกับที่เผา<ม>พุทธธาตุบนขอพุทธทองนะก็เลยได้มีโอกาส น, าายยนั้นเป็นเครหัสอยู่นครับครั้ น, นี้ขึ้นที่ที่ผมศรัทธานเนี่ยเพราะว่าผมนั่งสมาธิแล้วมันจะรู้สึกมันซึม มันมีวอรมันม่วมันอะไรมันไปไม่ถไงครับแล้วพอมาประบัดปฏิบัตมันก็ยังมีวอร์อยู่นะครับแต่ว่าบางช่วงมันก็ตื่นทำให้ผมเห็นเห็นว่าเอ้ยมันมีทางออมันมันมันมันเรามันไม่ยิ่งง่วงซึมเหมือนเหมือนที่ผ่านมามันมันมันต้องเป็นมีอะไรเป็นพิเศษคแน่นอน ประการแรกประการที่สองโยมเพืนที่เขาศรัทธาเพื่อนิโยมเตลเองเพอนกับเตลมาปฏิบัติกรรมกัหลายครั้งครับูกศิษย์งพ่อเชนก็ให้เอพีมาฟังของหลวงพ่อเขียนแล้วก็ท่านท่านเขียมานันท่าท่านขียมานังท่าท่านเป็นคนที่ได้สละโฉนด ในรางงา่ับเป็นภาษาตรงนีกก้มผมก็เพิ่มศรัทธาก็เลยเพิ่ึ้นนแลวประกอบกับที่ผมมาเรียนก็คือที่ผมรู้ใจที่ผมอกมาเข้าขออขคอร์สพระ่องพคอคับดผมก็เลยตั้ ง, งปฏิธาณเลยว่าแม้เราจะไปบวชวัดป่ดาสายหนองป่าคก็ตามผมก็จะยึดแนวทางนี้ในการปฏิบ <ừ> ัติคือผมก็ขอ ยักหนุนเท่ า, หาไหร่เพระว่าผมขอปฏิบัติแบบนี้นะท่านก็ไม่ว่าอะไรผ ม, ไ, มได้ไม่มีปัญหาแล <c oughs> ก็สบายใจพ <c oughs> วกผมก็ปฏิบัติไปก็ลองติดลองถูกเ น, นี่ยนะ <c oughs> อันนี้คำถามผมมั้นแรกก็คือว่าในการปบบางวันที่จิตเรา เ, เราพักผ่อนพอเรามีความเข้มแข็ง <c oughs> ผมนั่งยกเลยไปได้แต่บางวันเนี่ย ตอนทําแนวทางหรือข้อตีเลยนะครับก็คือว่าเวลายกเนี่ยให้รู้ไม่เร่งนะครับเพื่อค่อยๆยกเคลื hmm. kind of eh. ่อนให้รู้ว่วมือเคลื่อนแล้วก็หยุดก็ให้รู้ว่าหยุดครับเคลื่อนมือก็รู้ว่าเคลื่อนแล้วหยุดอย่างเงี้ยคือค่อยๆทําแล้วก็ดูไปแล้วก็ลืมตาครับแต่ทําไปถ้าวันไหนที่จิตเราไม่เข้มแข็งพักตอนนี้พอเนะครับโดยเฉพาะตอนเช้ามืดอย่างนี้ ผมเรียนหลวงพ่อนะตีสามตื่นขึ้นมาทำอะไรทำไปสักพักเนี่ยมันจะมีนี้บอลแล้วคือมันจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มเริ่มคือมันจะตามันจะเริ่มปิดลงแล้วก็การขึ้นไหวมือมันจะเริ่ม้าลงหรือว่าหิ้มก็ขึ้นเป็นวครับแล้วสักพักมันก็ไม่ไหวมันก็เราก็ปล่อยมือแล้วเราต้งนั่งอยบเป็นอย่างนี้หลายครั้งเลยอยากจะเรียนถามก่อนว่า คือผมอยากจะรู้สาเหตุจะได้รู้วิธีแก้มาครับแล้วก็ทราบวิธีแก้สุนนดนี้นะครับนีวรณ์มาจากอะไรมันมีห้าตัวใช่ไหมตัวแรกคือการมฉันท ะ, ะในกัวกรมฉันทะมันพัฒนาการมาจากสุขเวทนาใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ตามรู้สุขเวทนาวิธีผมไล่สายไม่จบก็คือเมื่อเราไม่ทันทุก ค, ความสบาย เราก็ไปพอใจในความสบายบเมื่อพอใจแล้วก็ไปเสพความสบายพอเสพความสบายก็มีความเพลินเพราะความเพลินก็เข้าไปสู่ตัวอ <Yeah. S 1> อยากให้มากขึ้น <Yeah. S 1> เป็นการมาฉันทะตรงนะี <Yeah. S 1> ้วก็ชอบไปทำการมฉันทะเนื่องมาจากตัวรู้ไม่ทันตั้งแต่อันนี้จังลมาร <Yeah. S 1> ีตามสายมานะันนัเข้าไปเสีขึ้นนะั้นการมฉันทะพอบ่อยเข้าว่าเข้าเป็นสิ่งแรกที่จะนําไปสู่ตัวถีนวิธากคุ่มอของมู่ ครับมีสายของมันเลยไล่เรียนคือยังไงนะไล่เรียนก็คือการไม่จารู้ไม่เท่าทันการรู้การเปลี่ยนแปลงของกายครับทีนี้อย่างนว่าและการเปลี่ยนแปลงของกายนี้ที่มันเปลี่ยนไปทางสบายก่อนครั บ, รบทีนี้เมื่อเปลี่ยนไปความสบายเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติแต่จะีประธาน4ี่มาใช่ไม้มเราก็จะเสพความสบายอันนี้แล้วก็พึงพอใจ วความพึงพอใจก็ติดใจดีใจแล้วก็เสพเพราะเสพเป็นกา ร, รมวันทะแล้วก็เสพ บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้าในจํานวนที่เสพ บ, บ่อยเข้านี่มันเป็นกลุ่มก้อนของอารมณ์ที่อาที่มากขึ้นดังนั้นสัญญาณแรกของนักปฏิบัติคือความง่วงเพราะต้นตอมาจากกา ร, รมวัชชะเพราเราไปเสพคนสบายทั้งกายทั้งอารมณ์ครับเป็นสัญญาณแรกแต่เมื่ อ, อเราไปเสพแล้วแต่เนื่องจากว่าเราบางครั้งเรารู้สึกไม่พอใจ ไม่พาใจที่ด้ง่วงนี่นะมันก็เนื่องมาจากตัวที่สองนั่นแหละพอเราไม่ตามรู้ตั้งความไม่สบายตั้แต่แรกถ้าเราตามรู้ตามพันตามรู้ตามพันมันก็จะไม่มีคือมีแต่มันแก้ไขได้เนื่องจากว่าการเสพสุขเวทนานมันไม่ใช่แต่มาเกิดตอนไหนแม้ว่าเราจะในกรณีนั้นร่างกายจะมีความพร้อมระดับหนึ่งนะหาคัาเรียกว่าตัวนามรูปธรรมต้องพร้อมๆต้องตํางปรับตรนี้ด้ยแต่ถ้าร่างกายไม่ เพียงขอพวมีคุวามว่มท่านนักปฏิบัติง่วงให้เห็นผมจะลองไปทดสอบตัวมัน ง, ง่วงกพราอะไรหนึ่งคุณกลับไปพักเลยถ้ามันหลับทันทีแสดงว่าคุณพักความนี้ขอคุณคุณหลับไปเลยแต่คุณไปนอนแล้วมันยังลืมตาวตแสดงว่าคุณถูกเวทนามมนหลอกหา<อ>คุณต้องแก้แก้ให้ดุจผมวิธีแก้ผมอย่ า, ยางหนึง่งคือผมกัน้นหายใจเลยผมกัน้นหายใจกั้นให้ได้นานที่สุดนะครับ ก็ตื uh, ่นมัก็ต right ื่นข้มาตื okay. okay. ่ขึ้นมาเกี่ยวบเป็นปกติแต่ไปสักพักนึงก็เป็นอีกมันต้องมันดห่นนี่คือต้องไปทดสอบแล้วครับต้องไปนอนดูนักปฏิบัติมานั่งง่วงแล้วผมให้ไปทดสอบกันผมมองว่าเป็นเสียเวลาเปล่าสินเชิเลยอ๋อไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าถ้ามานั่งใช่ใช่เสียเวลาครับก็ไม่ถึงกับสูญแต่ผมเสียอารมณ์ด้วยมาเจอคูดพติดอารมณ์ไป มั น, มนขอให้เกิดอารมณ์ตัวอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าพระอาจารย์ที่ดูแลเรื่องปฏิบัติก็จะจะมีว่า ง, ง่วงไม่ดีอย่างเดียวนะแต่ควรพวงง่วงมันร่างกายเขาต้องการ<ม>ต้องไปพักให้เขามันเป็นยาชนิดหนึ่งเมืม่อพักกลับมาแล้วถ้าคุณนอนจนอิ่มแล้วกลับมาคุณยังง่วงอยู่นี่แสดงไม่ใช่ละ<ม>คุณต้องไปแก่อาการที่มันเป็นง่วงโดยอารมณ์จะต้องแก้มันทุกวิธีการเลยเช่นลุกคือไปเดินลูกเดินหน้าถอยหลัง<ม>เพราะฉะนั้นในวิธีการที่ผมใช้ค่อนข้างเยอะในการแก้ตรงนี้นี่ ตอนแรกเอาเอ็กเควตีเดีหายใจเข้าออกลึกๆนี่นะของอาจารย์สมพรอต่อมาก็คือมาปรับสมดุลร่างกายหายใจยังไงนะครับไอ้ขีดนี้หายใจให้ลึกที่สุดแล้วกันไว้ห้าวิแล้วก็ผ่อนหายใจด้วยการเ อ, อกทั้งปากพห้ยาวที่สุดจนไม่มีอะไรเจาะ อ, อ, อีแะ่แล้วแล้วกันเข้าออกอย่างนี้สักห้าครั้งเจ็ดครั้งซึ่งมันมีภาพปฏิบัติอยู่นะตอนนั้นผมมันนำพวกนี้เข้ามาแก้ไขเรื่อารมณ์ ตัวนิวรที่เป็นโดยอารมณ์นะถ้าทํานี้แล้วมันจะแก้ตกแต่ถ้าหากว่ามันเป็นโดยกายพักผ่อนผมก็บอกให้ไปนอนก็แก้ได้ทุกครั้งนะจะลองงานอาจารย์มีมือถือพื้นที่สมาธิบำบัดแบบไอคีทีดีได้วิธีการนะอาจารย์สมพรสมาธิสมาธิบำบัดแบบไอคทีอาจารย์สมพร์กันทรัพย์ฤษี สมาธิบำบัดเอ็กเคทีก็เขียนตัวสังกิจครับเอ็เคทีครูปกรณ์ครับครับนี้เวลาผมหลังจากผมปฏิบัติไปช่วงหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็มีความรู้สึกมีความสบายนะครับแล้วแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่มันประหลาดคือคือผมฝันเนี่ยคันรับฝันร้ายว่าลูกน้องเก่าเนี่ย ติดอยู่ในเครื่องจักรหมายถึงว่าเป็นเหมยับเป็นแท่นลม่นที่มีระบแท่นให่แท่นพิมดังคือพินใหญ่ๆเนี่ยครับติดมีอยู่ตรงกลางเลยนะฮะคือสาหัสเลยนะไม่ไม่รอดแน่แล้วก็แบบค้อนดิ้นพุ่งรุ่นลอยเป็นเหมเนี่ยเหมในฝันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นจริงมันเหมือนจริงมากนะครับแต่ว่ามันยังมีสติแหวกหนึงว่าให้กําหนดรู้ ให้ดูที่ลมหายใจผมก็ขับมาดูที่ลมหายใจนะการหายใจเข้าหายใจออกทำได้ประมาณสามสีครั้งมันมันมันตีกลับเลยนะครมันเกิดอาการปีติขึ้นมาเลยนะก็คือรู้สึกเหมือนมันมันมันความปีติมันเพิ่มจากของหายมันเพิ่มมาที่ท้องอกเนะครับ แล้ว <S an> รู้สึกว่ามันมันซ่านแล้วก็มันสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สว่างมากจ้าจนผมตื่นขึ้นมาจากก็เลยงงว่าไอ้ฝันลายที่มันฝันลายแล้วทําไมมันมันงงกลับมันตื่นกลมาเป็นเป็นอาการตนะี๋แล้วตื่นตื่นมาเพียงรู้สึกว่าตัวนี่ยังแบบซ่านมีตี๋อยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้มีอาการตกใจก็เลยอยากจะเรียนถามผมเพราะ ว, ว่าอาการเช่นนี้มัน อาการที่แต่ว่าความฝันนี่ไม่เป็นจริงไงนะแต่อาการที่เป็นจริงที่เกิดกับเราครับคือลักษณะอย่างนี้มันมีสัญญาณบางอย่างเรียกว่าจิตใต้สํานึกนี่นะถ้าหากว่าสมาธิดีแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณบอกมาก่อนมันจะเกิดเกิดขึ้นอะไรจะขึ้นกับเราเนี่ยมันจะบอกว่าเออตัวสมาธิที่ขึ้นลงเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนตัวเราถูกเครื่องมันหนีมาแหละนะมันก็จะเกิดปรากฏลักษณะนี้เรียกว่าเป็นยาน อันหนึ่งแต่ว่าถ้าให้มันอยู่ในความฝันก็เลยยานสังหรณ์นะแต่ถ้าหากว่ามันเห็นทั้งๆที่รู้อยู่เนี่ยสิทธิญาติอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายานยานที่เห็นนะกา ร, ร, รทัศนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือฝันไปเนี่ยยานสังหรณ์แต่ทําไมมันมันมันชัดก็เพราะสมาธิเราเป็นไฐานอยู่แล้วนะก็พอกลับไปกำหนดทั้ปั๊บสมาธิตรานั้นจดีเป็นพิจิตเลย เพราะนั้นความเป็นจริงของมันก็คือปิติที่มันบีบแรดเราตรงนั้นแหละที่มันเป็นแต่ว่าความฝันมันจรงจริงที่เขานอกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ขณะที่นั้นเราสัมผัสความฝันจริงจอันนี้ผมก็เป็นบ่อยนะถ้าจะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มก็ต้องมาปรากฏก่อนไม่ว่านยายนทัศนกติปิย า, ยานสังหอนก็ดีก็รปรากฏด้วยอำนาจของสมาธิซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากเราทําสมถ า, านมันจะเป็นพวกนี้เยอะมากเลยแล้วก็สมถานนี้ไม่ใช่ มันจะคลายได้ง่ายๆนาะเพราะเราสั่งสมมานานแล้วครับแล้วพอมาทําวิปัสสนาเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเราต้องมากระจายเพราะสมถานมนเหมือนกระ น, น้ำแข็งก้อนใหญ่ในช่องฟีสเนี่ยนะพอทําวิปัสสนาเหมือนจะเอาน้อำแข็งก้อนที่ช่องฟีสมาวางไว้ข้างนอกมันไม่ละลาย ท, าทันทีมันค่อยละลายทีนิดทีนีิดไปซึ่งผมเปรียบเทียบคล้ายลักษณะอย่างนั้นดังนั้นแม้แต่พระอาจารย์จะมาทําการเคลื่อนไหวแล้วก็ตามแต่อุดมสมถาก็ยังค้างอยู่มันค้างรู้ได้ไงเมื่อมันมี ตัวยานเหล่านี้ขึ้นมาเดี๋ยบางครั้งไปเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นนิมิตอะไรต่างๆนะแล้วปีติมันมันชัดเกินไปถ้าปีติในสมถานี่มันจะชัดมากๆแต่ถ้าปิติวิปัสสนามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรความสงบความเย็นเรียกว่าปัปปสจที่นะเพราะฉะนั้นตัวปีติในฌานเนี่ยมันก็ไปสู่ตัวเอกคตตาคือจิตเป็นหนึ่งเป็นสมาธิแล้วมันจะก่อให้เกิด น, นิมิตปิติเอกคตาพวกนี้นะมันจะก่อให้เกิด น, นิมิตต่างๆ และถ้าเราทํามานานจนชานานญะมันก็จะตามมาลกุกวนแต่พอเราทําสติสัญญาให้เข้มแข็งกว่าตัวนี้จะสลายได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเราเผลอไปเสียมันนะเหมือนไปต่อยยื้อให้มันไปติดเลยเออไปติดเลยแล้วก็ถ้าเป็นปิติในสมถะโอกาสที่เราจะหลงได้ง่าย <c oughs> แต่ถ้าเป็นปิติในสมพุทธคุณคือวิปัสสนานะดีครับทําให้จิตได้พัก หลวงพ่อสุมาโนเนี่ยท่านก็สอนแบบที่ง่ายๆซึ่งผมอาจจะติดยนะครับครับก็คือว่าท่านบอว่าเวลาให้การตันรู้ให้รู้ถึงน้ําหนักที่มนุษย์เนี่ยน้าหนักมันกระทากับร่างกายกับแรงอื่นของโลกอยู่อย่างนั่นเนี่ยผมจะรู้สึกเนี่ยมันหน่วงๆท่า น, นบอกเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเนี่ยเวลาผมนั่งผมนั่งสมาธิใช่ไหยก็จะเล่นกับตัวเนี่ยผมจะดูลมหายใจบ้างดูยุบ ท้องยุบหน้องหนาบ้างดูน้ำหนักน้ำหนักที่ลงบนก้อนบ้างน้ำหนักที่ลงบนฝ่ามือบ้างที่ลงบนตัวเข่าที่มันแตะกับพื้นครับที่มันกระจายตามจุดต่างๆน้ำหนักที่ลงตาตุ่มที่เรานั่งขับมาตรงนี้ผมกำลังใช้อยู่ตรงนี้ตอนหลังมาคนคุณใหญ่ที่จะมา น้ำหนักคนนี้เป็นรูปของอนิจจังทุกข์อหน้าตาของกายนะครับแต่เราไปเทิ้งให้มันเป็นตัวอารมณ์สมถาถนขึ้นมาเรีวยกว่าเป็นสมถะเอาตัวกําลังของอนิจจังไตรลักษณของรูปนี้นะขึ้นมาเป็นสมถะคือไปทิง้งเอาน้ําหนักเลื่อนน้ำหนักนไปเอาตัวนี้มาเป็นมินตของอารมณ์เป็นรูปอันหนึ่งนะทุกข์อาการหนักแต่ในแง่ของกาปริ น, นาแล้วเนี่ยต้องรู้ที่ไปที่มันมาว่าหนักมันมาได้อย่างไร ใช่ ห, หนักมันก็คือว่าตัวการไหลเวียนของเลือดลมก็ดีการไหลเวียนของอากาศก็ดีเมื่อเรานั่งทับมันเนี่ยเรานึกถึงท่อน้ำเนาะเวลาเรานั่งปวดที่ตรงนั้ามันติดตันนี่นะเกิดการดันถ้าไม่ท่อหลุดก็ท่อแตกเพราะฉะ น, นั้นผู้ถใช้ก็ต้องไปขยายให้มั น, มนขยายขึ้นการปรับก็เหมือนกันในการไหลเวียนของระดับเซลล์ชั้นแอรเซลชั้นมันทำงานของมันตลอดเวลาที่กดข้อนี่จังนะนะ ถ้าจะเป็นนิพพานาต้องใช้สติสเญลเข้าไปกับอย่างที่ไม่รู้ตัวน้ำหนักที่มันนั้นให้กดของนิจังนั้นไม่ถูกบล็อกถ้ากดนิจังถูกบล็อกมันจะกลายเป็นทุกขงังโดยพอเรารู้ว่าแต่ว่าการเปลี่ยนมีสองอย่คุณโคบไปถ้าหมักคุณไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปการสัญชาตญาณ น, นั่นคือสติชาตญาเราทําหน้าที่อยู่แล้วแต่พอมาจะเริ่สติจะนิพพานปั๊ปบเราใช้กดของชาติญาณที่จะเปลี่ยนเป็จะเข้าไปตามรู้ แล้วก็อยา้ควาหนักีหายไปรู้ว่าให้อิจังปัญหาผมมี่อที่เคนไปรครับบางทีสติผมก็อยู่ผมก็รู้กับการเคลื่อนนะจังหวัการเคลื่อนจังหวการหยุดเคลื่อนให้หยุดแต่ถ้าพักมันเผลอด้วยความที่ผมฝึกแบบดูน้นักเบางทีมันเผลอแวบมาที่ตรงนี้บ้างใช่วิธีแก้นั่นคือสมถะที่มันมันติดเข้ามาครับวิธีแก้อย่าง วิธีแก้คือจะต้องพอรู้ตัวว่านักปั๊บนั้นก็ขยับไปดูโดยที่ไม่ให้เอาจิตไปเช่งอยู่นั้นนะขยับแล้วกลับไปดูที่กลับดูที่ที่เดิมไวแต่ไหวที่เดิมเพราะนั้นในที่นี้ผมไม่ให้ใครนั่งนานเพราะนั่งนานแล้วถ้าเขาเป็นมีสมถะมาก่อนนะมันก็จะไหลไปสู่สมาธิหากว่าคนนั้นไม่แล้วเปลี่ยนท้อเปลี่ยนให้รู้ตัวชัดๆไม่ใช่พลิกเปลี่ยนไปอย่างอย่างคนทั่วไปตอนนี้วิธีแก้ให้เป็นยสันิษฐานคือปรับเปลี่ยน ปเปลี่นในี่ปุ่นเ่ <c oughs> แล้วทีนี้พระอาจารย์ทราบไหมว่าตัว อ, อันนี้จังถังนัตตานี่ที่มันก่อให้เกิดตัวเคลื่อนไหวเนี่ยด้วยอํานาจของอะไรที่เราเล<ม>ื่อ<จ>นแบบย่อมือตรงนี้คือคกลไกของการเกิดดับมันทํางานตลอดเวลาการเกิดดับตัวมอนิเตอร์ที่เล็กที่สุดมี่จะหมุนติ้วแล้วก็คือการเรียกว่าอะไรความถี่ของจิตน่ยนที่มันคิดหรือฟรีเควนซีแล้ว เรื่องกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นตัวเฟืองที่ขยายออกมา ก, กว้างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนไหวได้หายใจเขาออกได้เป็นกฎของการเกิดดับทั้งนั้นเลยครับและการเกิดดับที่เราตามทําําทาหน้าที่ของมันแต่ถ้าเราไม่ได้ตามรู้มันก็การเกิดดับมาเปลี่ยนเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราไม่ตามรู้กฎเวทนาสามมันมาเปลนะี่ย น, นตัวเวทนาทางจิตตามรู้เวทนาสามมันมาเปลี่น อารมณ์ครับเพราะนัน่นจะไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นดังนั้นที่อาจ า, กการยกลเป็นรูปเดูจิตสลับกันไปสลับกันมาอันนั้นถือว่าข้ามขั้นตอนเพระนั้นการที่เราจะไปดูจิตเป็นเราต้องสังสมทัก ษ, สษะสติวอจาร์รูปและเวทนาบวกกันให้ชํานาญผมผมใช้อย่างนี้คือผมดูฐานการอย่างเดียวแต่ บาเราห้ามความคิดไม่ได้คร<อ>ับความคิดมันแวบมาใช่ไหมผมนกนทุ้งก็รู้แค่รู้ว่ามันคิดแล้วผมก็พยายามกลับมาที่ฐานกายให้ันถูกต้องใช่ไม่มคือเราบังคับไม่ได้เราอยูาที่ฐานกายแต่ว่าเราไปหยุดความคิดมันไม่ได้มันก็คิดไปเรื่อยสักพักมันมันอาจจะมันไม่มมันไ่คิดถี่เหมือนในสภาวะปกติใช่ผมก็ใช่แต่บางทีมันก็แวบเข้ามา นึกถึงเรื่องโน้นนึกถึงเรื่องงานนึกถึงเรื่องเพื่อนนึกถึงเรื่องครอบครัวก็แวพะพอแวะเข้ามาปั๊บพวกเราก็ปฏิเสธมันไม่ได้ผมก็แค่รู้อรู้ว่าคิดแล้วผมก็กลับมาที่ฐานกายคือการขึ้น <c oughs> อ, อย่างนั้นถูกต้องนะแล้วก็เทีย่ท่านบอกว่าถ้าเราเอาความคิดไปแก้ความคิดโดยที่กําลั ง, งสติสัมยะที่กายยังไม่ชัดนะยังไม่ชํานาญแล้วเอาความคิดไปแก้ความคิดแก้เท่าไหร่ไม่จบ ท่ญญานใชก็ว่าเอาเขาอี่เป็ดไปลักี่ไก่เลวเราจะรับมือกันยังไงรับมือก็คือกลับมาสู่สานกายที่ชัดให้ชัดมากขึ้นมาเร่งความรู้สึกทางฐานกายนี่ให้ชัดเร่งก็คือเปลีนนย่ยนอิยบทอาจจะเดินเียวกว่าปกติองเร็วกว่าจะแรงอาจจะเร็วกว่าปกติทุ่งทุรปรับฐานกายใยการเร่งความรู้สึกไปเ น, นี่ถ้ามีถ้ามี ค, ความคิเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้น แรงก็บา ง, งให้ให้ปรับปรับฐานใจให้แรงและเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังให้สติสมิยะ การลองผิดลองถูกตลอดเก้าเดือนที่ผ่านมา<อ>นครับแล้วมันคือมั น, เ ป, นเป็นประสบการณ์ตรงเลยมันไม่ใช่ว่าผมมานั่งเทียนแก้วครับคือคือผมผมรู้เลยว่าเนี่ยผมประสบปัญหาเนี่ยแต่<อ>ผมแก้มันไม่ตก<อ>ผก็เลยงนั้นเรื่องนี้ท่านบอกว่าถ้าจะศึกษาทุกเรื่องสิ่งแรกท่านให้แสวงหาคืออะไรก็ะเด็นมิตรเนี่ยกด็มิตรหมาวาคนที่ลองถูกรองผิดมาก่อนเรายาวนานมากแล้วท่านจะบอกหยุดได้ถูกเร็วไหมเถิ เรียกว่าอะไรเนี่ยกลยานามิตกลยานามิตกลยานมิตก็คือผู้ปฏิบัติมาก่อนเราน ะ, ะเป็นชาวบ้านเป็นโยมเป็นพระเป็นใครกรแ็แล้แต่ว่าท่านีมากดอย่างีเกกล่าวว่าพระพุทธองค์เคยจัดก้าอนว่ากาลยานิ<ช>ิ พ, พัฒอนว่าาลนิพัเป็นคร่นึ่งองมจรัตน์พระพุทธองค์บอกเต่าเลยอนกลยานเป็นทั้งหมดขทมจร์เป็นทั้งหมดของพมจรัต์คือท่านหมายถึงจุดนี้ครับ แล้วก็สําคัญมากทีนี้ผมจะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างว่าขณะที่เรานั่งทําสติรู้สึกตัวอยู่มันไปเป็นความคิดได้อย่างไรเนื่องจากว่าตัวความรู้สึกที่เราทํามันไม่ชัดพอครับ <c oughs> ถ้าเราเปรียบภาพสองภาพภาพหนึ่งสว่างภาพหนึ่งมืดนีนะกรณีที่ความสว่างความมืดในถ้ำ ม, มันมีความมืดหนานแน่นมากถ้าเราเทียนไขไปเล่มเดียวเนี่ย เราจะเห็นเฉพาะหน้าที่เราไปนะกำลังมันําลังไม่พอครับแต่ถ้าจะเห็นในใกลไกลและลึกละลเอียดกว่านั้นต้องมาเพิ่มแรงเทียนนี่ครับแรงเสียนอาจจะเป็นไฟมากขึ้นเพิ่มวัตเพิ่มอะไระเพิ่มวัดเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นสปอตไลท์ซึ่งความมืดจะสลายทันทีนั่นเหมือนกันขณะที่เรายกธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนไฟที่เป็นแรงเทียนแต่พอรู้ว่ารีบดีรีบดีอพอเรารู้ว่าความคิดมันเข้าแบบม า, ม า, มาเป็นถี่เนี่ยตัวนี้จะเริ่มเริ่มแรงขึ้นแหละครับทีนี้ แรงขึ้นแท้เด่นจกุกงก็เร็วขึ้นสร้างเจ้าวะก็ก็เร็วขึ้นแรงขึ้นอพอกำน้ําหนักของความรู้สึกตัวที่ที่หันกายชัดตัวคิดก็จะขาดไปช่วงๆกบที้เพราะอะไรเพราะมันจะไปหยุดความถี่ครับตัวตัวรู้เนี่ยมันจะไปหยุดความถี่ของความคิดตามปุความคิดที่มันก็หมุนหมุนไหวมากเลมันสามารถรับรู้ทั้งอยะชนะทั้งห้าได้หมดเลยรู้เรื่องหมดทั้งๆ ท, ท, ที่ว่า ตัวรู้ตัวเดียวตัวคิดตัวเดียวแต่เนื่องจากความถี่ที่ว่ามาเนี่ยมีจิตหนึ่งเดียวมีทีละขนาดเนี่ยแต่ทำไมมันรู้ทุกทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาทางเอเดนนเนื่องจากความถี่มันสูงช่วยอันลิมิตอ่ะาอินฟินิตี้เป็น High ไฮฟลเป็น High High ไฮฟลูซีไฮด้ชางไปเพราะว่าไม่มีความถี่อะไรในโลกนี้เท่ากับความถี่ของจิตใช่แต่ว่าสติสมญะสามารถฝึกให้ไปเหนือความถี่ของจิตได้ ต่จิตมันเคยทํางานมาก็อยู่ในโหมดเดิมเดียวนันไม่ได้เร็วกว่า น, นั้นอ่ะมันคงที่แต่สติพิยะที่เป็นโลคุตระตรงนี้ว่าโลคุตระนะสา ม, มารถเพราะท่านสติท่านจึงเอาพระพุทธเจ้ า, ท, าท่านจึงเอาครับคํานี้มาจากคําว่าสอนลูกสอนถ้<อ><อ>าเดิมก็คือสระใช่ไหมสระที่แปลว่าเล่นแปลว่าวัยที่สุดถ้ามันไม่ไวพอมันจับเหยื่อไม่ได้คร<อ>ับท่านก็เลเอาสระท่านมามาบวกเข้าวัดตีปัจจัยทำกฎแล้วบาลีแล้วถ้าลงติปัจจัยเนี่ยตัวหลังท่านเนี่ยต้องหาย มันจะเหลือโต้ต้นธาตุกับบุคตัวติกลายเป็นสติครับ<ม>ครับเดิมมันเป็นสรารธาตุที่แปลว่าวิง่งแ<ม>ปลว่าเล่น<ม>แต่พอมาลงหน้าปัจจัยลักกันอยู่นะครับเรียก ว, ว่าสารณะ<ม>เพราะฉนั้นสาระสติคือคำคำเดียวกันคือแปลว่าที่พึ่งเดียวมะสาะแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกแต่ความจริงความอาการที่แล่นที่วิง่งเป็นอาการโธตถุแต่เรามาแปลเป็นอาการของนามเขาเรียกว่าระลึกใช่ไหมครับระลึกนึกให้ทันระลึกให้ทัน อันนี้พูดถึงกฎไตรักนะครับอันนี้จที่ถึงอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงครับอันนี้ผมรู้ผมไม่ทัวนนะครับผมก็แต่ถูกต้องนะอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับตลอดเวลาถู ก, <c oughs> กต้องไหครับอันนี้จังเ ร, ราแปลว่าความไม่คงที่ ค ว, วความไม่สเสถียร<ม>แล้ว <คง S 2> พอมันไม่สเสถียรมันเกิด อ, อะไรขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงก็แปว่านี่จังใช่ไแต่ในั ง, งกฤษเขใช้คาว่า c จริงๆเยอะากเขาเช้ c n g บางแห่งก็ใช้ p e r m n e n t ถ้าทำมาคงที่ใช้ p r m n e n t ดัง น, น, นั้นคำค ำ, คำนี้ผมน่าจะว่ามีการเปลี่ยนแปลงผมว่ไม่อยากจะใช้คำว่าไม่แน่นอนนะแต่ตรงตัวคือการมีการเปลี่ยนแปลงกับทุกสสารสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง้วก็ทุกหนุทุกนิ้วเครียดเลยนะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรที่คงที่เลยนะครัแล้วมันมีลำดับขั้นตอนนี้ต้องเป็นอนิจจังรือนัตตาเกิดไปมันจะเป็นซีเควนเสียงนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นกฎสากลที่ผู้ที่จะคุณพบใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นซีเควนหนึ่งเป็นซีเควนอย่างนี้แต่นี่หลวงพ่อการุณาอธิบายบุญหน่อยได้ไหมครัว่าพอมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมามันจะมีกระทบทาให้เกิดทุกขังยังไง้แต่ทุกขังเปลี่ยตัวการเปลี่ยนแปลงอนิจจังที่ผมกล่าวเ่กี้มันกเนิดขึ้นก็คือตัวเกิดและดับใช่ ตัวเกิดระดับนั้นเป็นกำเนิดของจักรวาลมีการเกิดดับทุกสรรพสิ่งก็ทุกสรรพเกิดแล้วก็ับมีดับเพราะงั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดทุกขังยังไงครับสมมติว่าวัตถุสิ่งนี้นะคัคงจับอยู่เนี่ยมือของมันเที่ยงมนคงที่ระดับหนึ่งนะแต่พอหลุดจากมือไปเนี่ยอันนี้เสียแตกกระจายแตกกระจายหรือไม่แตกก็ตามแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ดีแล้วเป็นทุกขังแล้วใช่ไัมนื้อการแปรปวน การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การมมันไม่เที่ยงมันใช่ไม่ได้ก็เป็นมันมันกระทบ ก, กับความพอใจไม่พอใจของเราใช่แต่อันนี้หมอพูดเอาเอาเอาวัตถุที่เห็นก่อนนะอันี้พอจิตของเราจิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงคือหมายคามว่ า, วามันเป็นไปตามกฎเดิมขงมนคือใจรักจังเลอ๋อมันก็จะได้เป็นได้สัญญาก็คือว่าพอเปลี่ยนแปลงปั๊บมันก็จะมีแต่แต่ผล ค, ความพอใจก็จะดึงเข้ามาแล้วไม่พอใจก็ยพยายามผลักขยับกลับแต่ในกรณีที่ว่า อ น, นิจจังไม่เที่ยงเนี่ยะจะทําให้ไม่เที่ยงต้องมีสติสัำยาาาะเข้ามาจัดการครับเมื่อสติสำยะจัด ก, การมันก็เที่ยงได้ระดับตามที่ต้องการ น, นน ะ, ะแต่ถ้าตามกฎของมันแล้วมันก็จะเปลี่ยนมันต้องแปรปรวนแล้วก็แตกดับเกิดหน้าตาเพราะตัวอนิตจักับตัวนี้ยังสัมพันธ์กันเพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีตัว<ะ>มันถึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอเวลาเปลี่ยนแปลงหรืไม่เที่ยงความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นของเดิมแท้ก็คือตัวอนิจจังกับตัวอนัตตาอนิจจังการเกิดอนัตตาคือการดับแต่ถ้า ไม่มีวิธีการจัดการความไม่เที่ยงคืออ น, นิจจังที่ถูกต้องแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกขงังแล้วจากทุกขังนี้มันไปเกิดนันตตาได้ยังไงครับอ๋อนันตตาถึง่าเคือสามนิสิตของมันเสียงใช้ได้มั้ยครั บ, รบใช้ไม่ได้อไอความไม่ใช้ไม่ได้นี่มันเป็นนันตตาแล้วมันแตกดับมันแ ป, ปลปวนแล้วก็แตกดับอันัตตาไปตรงๆคืออะไรถ้าเป็นโดยสมถะเราแปลว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ไม่ใช่ตัวตน แต่ถ้าเป็นนิพพานจะแปลว่าบังคับบัญชาไม่ได้ม่อยู่แี่ว่าเข้าใจง่ายกว่านั่นคือเป็นเป็นนันธรรมบัญชาไม่ได้คอนโทรลไม่ได้คอนโทรลให้อยู่กับที่ไม่ได้อันนี้จังไม่เที่ยงยุ่ยแปลงนะฮะทุกขังก็คือแปลกดนความปนทุปนว่นอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ใปนแล้วก็อนัตตาเขาคือาบังคับบัญชาบังคับบัญชาไม่ได้แต่กรณีที่เราบังคับบัญชาอนิจจังได้ทุกขังไม่เกิดอนัตตาไม่เกิด พอลึกๆแล้วกดให้การเกิดดับมาจากตัวอนิจจังเปลี่ยนเป็นตัวอนิจจังมันเป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ําเป็นทอดมาจากการเกิดดับเป็นต้นน้ําเลยแล้วก็ทุกขังกับทุกขังก็คือการน้ำอนัตตาคือปลายน้ำอ่าใช่อย่างนั้นมันมันมาด้วยกันมันมาเป็นกระบวนการเดียวกันมันเป็นกระบวนเดียวกันมาเป็นกระบวนเดียวกันทังคีมาด้วยกันมาด้วยกันที่นี่ว่าน้ําต้นออกมามันไหลตลอดและ เอ า, อางี้ดีกว่าถ้าอุปมาให้ชัดฝ น, น, นตกลงมาใสาสะอาดใช่ไหมถ้าทํานมีสิ่งรองรับน้ําก็ใสเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มีสิ่งรองรับน้ําก็จะกลายเป็นปูนเป็นหุ่นแล้วที่สุดเป็นหนา้าตากว่าใช้ไม่ได้ในเนื้อของของวิปัสสนานะแต่ในแง่ของรูปคือฝนตกลงม า, าเดิว ม, มันเป็นก้อนเมฆแล้วเมฆเปลี่ยนมาเป็นน้ำนํำน้ําก็จะมาคุกคลีคุกเข้ากับพื้นโลก และในที่สุดเลิกเหยเพราะอํานาจของแสงอาทิตย์และแสงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนน้าสุกภูเข้าเป็นน้ําสระเปล่งเปล่งเกิดจอันนี้อันนี้วัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรของรูปนะครับแต่วัฏจักรของน้ำเพราะร่างกายแล้วควบคุมความแน่นอนแท้แน่นอนไม่ได้มันมีกฎเหนือนที่ให้สัมพัทธ์ต้องดำเนินอยู่กฎนั้นเขาเรียกกฎของการอยากมีความชอบความอยู fall, <stein. S 2> ่ถ้าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะกฎของ ตัวเกิดดับอันนีจังเนี่ยมันจะต้องต้องการสืบต่อกฎแห่งการสืบต่อมันเกิดเป็นความชอบแล้วไม่ชอบคนมา ค, คนจะเกิดเนี่ยมาจากความชอบใช่ไหมของหญิงของชายไม่ชอบแล้วมันก็ได้สืบผ่านต่อมาแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะมีแต่คนสัตว์ทุกสัตว์มีสิ่งนี้ติดตอยู่หมดมันเป็นกฎของธรรมชาติทุกอย่างต้อง ม, มีการเกิดและการดับการเกิดการดับต่อกันไปเรื่อย ลักษณะที่พิจนาเมื่อเราเข้าใจกฎอันนี้แล้วเนี่ยเราจึงสามารถควบคุมการเกิดดับนี้ได้ที่พุทธิคุณภพคือตัวรู้วิญญาณปัญญาถ้าหาควบคุมเฉพาะกายใช้แค่สติสัมยาได้แต่ถ้าจะไปควบคุมจิตก็ต้องแปลง่สติสัมยาให้เป็นปัญญายาณหรือวิปัสนาญาณและวิปัสนาญาณนี้จะไปตามการเปลี่ยนแปลงจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตได้แต่ถ้าหากว่าปัญญายานนี้ไม่ได้เกิดจากสติสัมยาที่ถูกต้องที่สมมาสตินะ ก็เป็นอันนั้นไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงมุ่งเน้นเดืมสัมมาทิฏฐินะนับแปดเกี่ยวข้อมกันเลยผมมีสัมาผมมีสัมมาเกี่วงกันแต่ว่าผมว่าตามตามที่ผมจดไว้ก่อนแล้วกันจะได้ไม่กระโดดนะครับรู้เก็เทียนนั่เคยกล่าวว่าการเรียนรู้จได้ทีละหนึ่งอย่างทีละขนาดทีละทีละทีละขนาบเช่นรู้ถึงการเคลื่อนรู้ถึงการหยุดนะฮะ แล้วจะรู้แล้วเราเราจะสมมุติว่าอันนี้ก็คืออันนี้นี่ประสบการณ์จริงนะครับก็คือผมขยับปุ๊บนะครับเพื่อนอย่างนี้แต่เนี้ยหลวก็จะได้ยินมันจะมีเสียงนอกบางทีมันก็เข้ามาในคลองคลองสะพัดในทางหกอ่ะนะจิมันคือผมรู้ว่าจิตมันทํางานไวมากก็คือมันกระโดดไปไปรับรู้ถึงการได้ยินเสียงนอกใช่ไหมครับครับแล้วก็เหมืนก็ กับอาย่ที่การเคื่อมอันนั้นผมก็เดาถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้ความถี่ของจิตเนี่ยมันหมุนอย่างนี้ใช่ไหมครับหมุนอย่างนี้ทีนี้ในกรณีที่มันจะต้องหมุนต่อไปเช่นหูก็ได้ยินเสียงขนาดนี้ใช่ผมยังไม่ได้รับตาด้วยนะครับผมยังไม่นับความรู้สึกร้อนหนาวใช่คือคือทั้งหกอย่างทํางานรับรู้ร่วมกันพร้อมกันทั้งหมดเลยครับนี่ผมผมหนิงงไงครับว่า ถ้าหลวงพ่อเทียนบอกว่าตีนั้นรับที่ได้ที่ไดหนึ่งขนาดอย่างนี้แสดงวาครับรับรู้ในการเคลื่อนมือประลูได้แค่ที่อย่างเดียวคือ<ล>อย่างนี้ครับผมผมสมมุติเราเป็นวงกลมนะฮะในวงกลมนี้เราแบ่งไปหกส่วนครับทีนี้วงกลมเนี่ยมันมีตัวหมุนอยู่ตัวหนึ่งที่เรื่อความ มันจะแตะทุกจุดพร้อมๆกันแต่ว่ามันแตะทีละทีแต่เนื่องจากความถี่มันสูงมันก็เลยดูต่อเนื่องดูเราต่อเนื่องใช่ไหมแต่แต่ไฟนิออนใช่ไหมแต่ความถี่งคือการกระทิบมันเองมันกระพริบคือกระพิบต่อเนื่องที่ความถี่ที่สูงมากนะมันแบบไปเป็นมันเสถียรในกฎของอวัยวะหน้ที่เช่นเดียวกันเมื่อความสเนดับทั้งจิตแต่ละคนมีความถี่สูงมากทําให้ตาหูจมูกลิ้นใจใจทําหน้าที่ในเวลาเดียวกัน แท่จะแยกไม่ออกเลยว่ามันใช้เวลาแต่ว่าจริงๆมันทำงานทีเละหนึ่งขนาดมันยิบย้อยมามันมันฮ่ามันมันสูงมากไงความถี่ไม่สูงขนาดไฟนี่บอกว่าหนึ่งหนึ่พันแรงเทียนใช่ไหมความถี่สูงมันสว่างมากเลยแต่ห้าร้อยแรงเทียนมาห้าแรงเทียนไฟก็จะอ่อนมากเพราะความถี่มันต่ํำใช่รับลักษณะเดียวกันถ้าสมมุติเราตั้งจิตไปอยู่ด้วยการเคลื่อนไหวความถี่ก็จะมาหมุนที่ไม่ได้สูงมากมาแตะตรงนี้จะสูงมาก ในใหกวงนี้นะในแต่ละวงเสียแล้วนเมื่อเราดึงขณะจิตมาอยู่ตรงนี้ย่างอื่นเพียงแต่รับรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไ ร, ระตาหูจมูกลิ้นทําหน้าที่รับรู้ในหมดแต่กายในขณะนี้เราดึงความถี่มาอยู่ที่กายถึงแปดสิ้าสิบเปอร์ซตัวเหล่านั้นก็เลยรับรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรครับเสียงก็ได้ยินได้กลิ่นเหมือนกันรับรู้ลดแต่ว่าเราไม่ได้ไปใส่ใจทํา <ใจ S 2> ไม่ใช่ใจวผมก็คือกรรมาฐานเดิมกรรมาฐานเดิม เมื่อจิตมันดึงมาเกับฐานเดินปั๊บเนี่ยจิตของที่มันจะไปสร้างความคิดเนี่ยก็เป็นรูปอันหนึง่งเจวา น, นามรูปใช่ไหมเราดึงตัวรู้ความถี่ของตัวรู้มาสร้างความถี่ของตัวรู้ที่สูงมากในตัวกายเพราะฉะนั้นไอ้การที่จิตมันจะแวบไปสร้างตัวคิดเนี่ยมันก็ความถี่มันต่ำเพราะความถีม่มันก็เลยหยุดไปเลยแต่ฐานหลักมันอยู่ที่ที่กําลังทําอยู่ อันนี้ผมมีคําถามเพิ่มเติมเมื่อวานเล่นที่ของหลวพ่อเป็นครั้งแรกวัตกรรมเล่นนั้นดีมากครับครับแล้วผหลวงพ่อก็กล่าวถึงว่าการเคลื่อนน่ให้ดูถึงว่ามันเป็นแปลได้ด้วยว่ามันก็คือการเคลื่อนก็คือหมายถึงการเกิดครับการหยุดก็คือการดับถูกไหมฮะอันนี้ กับในที่โจทย์เดิมสมมติว่าเรียนนุ่มบอกว่าเกจเนียมันรับรู้ได้ที่ะหนึ่งขณะหนึ่งขณะก็คือให้เราเลือกเอาว่าอันนี้คือการเคลื่อนนะฮอันนี้คือการเกิดนะอันนี้คือการหยุดนะหรืออันนี้คือการดับเราจะผ น, นวกสองอย่างเ้าเป็นเวลาเดียวกันได้ไหมที่พุ่งบอกเมื่อกี้ว่าไอ้จวงแกนกลางเนี่ยมันเล็กมากใชหลวงพอเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจเข้าใจกนกลทีนี้พอมันขยายมาเป็น เฟืองตัวใหญ่ๆตัวนี้ก็จะช้าลงเรื่อยๆอย่างเงครับเพราะนั้นตัวที่มันหมุนข้างในนี่คือการเกิดเป็นการเกิดดับที่มีความสูงมากแต่ขัานใจของเราเหมือนเฟืองตัวนอกสุดครเพราะนั้นเราสามารถควบคุมได้ครับควบทุมจะให้เหมือนกับเครื่องจักรนั่นนะครับพอสามารถควบคุมได้เพราะว่ามันมันทดเฟืองเอาเพราะนั้นตัวที่จะให้ชัดตัวที่ให้ชัดก็คือเราพยายามทําเอาจิตมาควบคุมได้ คนผูกอยู่แต่ตามู้ที่เป็นอำนาจของการเกิดดับโดยที่ไม่รู้นี่นะเขาก็จะทํ า, อ, าทอะไรตามความเพลินแลว้ ว, วิชายนนะอย่างนีที่มี่ดูแต่พอเราสร้างตัวรูม้มาาควบคุมตัวนี้ได้มันกลายเป็นวิชาที่สามารถควบคุมได้ตัวนี้เองที่ว่าจิตจะสูงขนาดไหนก็ตามแต่สติไปไวกว่าอพอเราควบคุมได้ควบคุมจิตได้แต่จิตมาควบคุมสติไม่ได้ แต่แสดงว่าถ้าตอนนี้ผมยกเงินอย่างเงี้ยคผมก็ให้รู้ว่าเออเคลื่อนเนาะเกิดเนาะนะหยุดหยุดนะแล้วก็ดับน ะ, ะเคลื่อนเกิดเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการเรียนรู้ก็คือว่าให้เกิดปัญญาถูกไหมครับถ้าผมคิดถึงเรื่องเคลื่อนอย่างเดียวมันก็เป็นไม่ได้การเรียนรู้อะไรแต่ว่าถ้าผมคิดไปด้ว่านี่คือการเคลื่อนก็คือการเกิดโปรแกรมเดิน <dle. S 2> การเกิดแล้วก็การหยุดคือการดับมันก็จะทำให้ผมเรียนรู้ของกฎอันนี้กฎใจรักัวใจรัก uh, ซึ่งมันจะนำไปสู่สติปัญญาหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเกิดเกิดสภาวะธรรมนะสภาวะธรรม อ, อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเออต้องขยายอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้ท่านเม่ถามผมว่าอ้าวในเมื่อจิตมันผ่านกายเวทนาจิตททหน้าที่ออกมาชอบไม่ชอบโดยฉันชชตญาณเนี่ย แล้ตัวรู้มาได้ยังไงไม่ได้ถามตัวนี้นะไอ้ตัวรู้มันก็เป็นจิตอันหนึ่งใช่ไหมแต่มันแยกมาจากตัวคิดได้ยังไงตัวนี้โดยสัญชาตญาณมันจให้มาตัวรู้โดยสัญชาตญาณมีอยู่ใช่ไหมแต่สัญชาตญาณโดยตัวรู้สัญชาติมันทำหน้าที่แค่เสมือกันทั้งหมดมีสอย่างใช่ไหมหนึ่งสัมผัติต้องการอาหารสองสัมผัสทั้งหลายต้องการหลับนอนคือที่อยู่อาศัยสามสัมผัทั้งหลายกลัวภัยเมื่อมีภัยส่สัมผสทั้งหายต้องการสิ่พัน สติปัญญาที่ดยสัญชาตญาณจะทำหน้าที่สี่อย่างจะทำได้ ท, ทำใน ท, ที่ได้มาสึ่งอหารสติปัญญาที่เกิดเพื่อจะได้มาสึ่งอหารเป็นสีปัญญาเพรเป็นตัวไม่ใช่ตัวอย่านี่สัญชาตญาณ ใ, ในสี่อย่างเนี่ยจะทำให้ดูได้เมียทําให้ได้บ้านได้<ม>ช่องมาทำให้ให้สุขภาพดีทําให้มันปลอดภัยเนี่ยใช้สีปัญญาอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นเกิดจากสติสัญชัตญาณ อ, อยู่ทีนที้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าตัวนั้นมันมาสัมพันธ์ถ้าให้เกิดสภาวะทําทได้อย่างไร ครับทีนี้โดยอาศัยกัณยาณมิตรนะท่านมาบอกว่าเออความรู้สึกตัวนมันมีสองแบบนะครั้งแรกที่สุดกัณยามิตรเพราะกัณยามิตรนั้นท่านตรัสเอาไว้ว่ามันจะก่อให้เกิดไปอยู่ทั้งสิบระการใช่ไหมเมื่อพบกัณยามิตรกัณยามิตรให้อะไรกับเราหนึ่งได้ยินได้ฟังเลยว่าเจริญสุตะร์เจริปัญญาสอง เอเียิ่งได้ฟังแล้วเราเข้าใจในสิ่งที่แนะนำด้วยปัญญาขั้นที่สองเกิดแล้วครัด้วยจินดาใช่ไหจินดาเรีปัญญาสามเอ อ, อ, อลองไปทดลอทดลองทําดูเออปรากฏว่าเข้าใจเออเกิดเกิดอย่างที่ท่านว่าแสดงว่าเราเอาไปทําถูกครับเป็นภาวนาเ ม, มืม่อปัญญาใช่ครับเมื่อปัญญาสะเมื่อได้พบกับเรียนนิพพยานาสามเกิดสามระดับต้องเกิดแต่ถ้าว่าปัญญาสามระดับไม่เกิดท่านผู้นั้นไม่ใช่กริยานี้ของเราเพราะมันไม่เกิดตัวสภาวะที่เรารับรู้ถามไปกว่านั้น เมื่อเรารู้อ๋อฟังเข้าใจเข้าใจถูกก็ทำได้เกิดการยอมรับเรียกว่าศรัทธาใช่ตัวนี้สภาวะเริ่มเกิดแล้วครับหนึ่งเกิดจากการฟังก่อนสองเราไปไข่ควรภาวะที่สองเกิดสามเราะทดลองทำเห็นสภาวะชัดขึ้นเพราะนั้นตัวกรเรียนิมิตจึงเป็นผู้เตือนให้สติเราที่จะเริ่มเต้นสติที่เป็นปัญญายานคนแรกที่สุด ริ่มจา ก, กระเดมิทพอได้ยินเรียกฟังแต่ก่อนหน้าก่อนหน้าเราเรได้ยินียฟังแต่ว่ามันไม่ชัดใชนะอะไรเป็นอะไรดังนั้นผมจะโยงมาว่าสภาวะตัวที่เรารู้จกักมากระเดมิทออกมาเป็นปัญญาและปัญญาตัวนี้ยังกั้มกลึงว่าเป็นโลกียะในโลกุตุลละไม่ชัดใช่ไหมนะทีนี้ปัญญาที่จะเป็นโลกุตุละกับโลกุตะุะโลกียะในต่างกันยังไงถ้าปัญญาที่เราฟังมันเป็นไปตอบสนองสรรชาติยานอยู่ปัญญานี้ยเป็น โลกิย ะ, ย ะ, ะแต่ปัญญาอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ตอบสนองต่อสัญชตาตญาณท่านชัยก็ว่าเมื่อก่อนเราจะพูดอะไรก็อยพูดอย่าคิดอะไรคิดอยากจะทําอะไรก็ทําทันทีตามอำน า, นาจสัญชาตญาณแต่หลังจากได้ฟังการยา น, นมิตรแล้วว่าการมีสติสํารวมระวังดูศรัทธาก็ให้เกิดโยนิโสมนสิการหรือการเคลค่อนขึ้นใช่ไหมเนี่ยผมจะถามว่าอโยนิโสมรสิการ พูดแนี้แปลความง่ายงเป็นภาษาชาวบ้านนั่นคืออะไรครับได้ตามภาษาที่เป็นภาษาไทยแปลว่าแยกคลายไปว่าถี่ทุน่นไปว่าละเอียดใช่ไหมครั บ, ตบแต่พูดเป็นรูปประโยคคืออะไรครับรูปประโยคคือการทําไว้ในใจโดยแยกคลายและถี่ทุน่นคือการรู้ต้นเหตุของเรื่องนั้นในตรงการรู้ต้นเหตุของเรื่องนั้นนั้นโยนี้แปลว่าที่ต้นต้นตอยใช่ไหมครับการรู้ต้นเหตุของรูปของนาม ชัดเจนเออเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็รู้ว่ามันหนักเพราะอะไร เ, เราเข้าไปพิจารณาจนเห็นว่าอหมายถึงว่าหว่าเรา<ๆ>เราสามารถย้อนกลับไปเป็นสี่เฟนใช่ของเหตุและผลใช่คล้ายๆกับอีทับปัจเจยตาอ๋อแน่นอนทั้งหมดนั่นมาจากกฎของชัปญญตาและกฎของแล้วมันต่างกันกับอีทับปัจจยะตายยังไง ต่างกันคือว่าอิทธิปยาตามาขยายให้เห็นขบวนการอ๋ออิทัิปย า, านี่ขยายมาขยาย <จะ S 1> ขบวนการการที่เราก็เห็นขบวนการของการเกิดดับเพราะเราก็มารู้อ๋อเพราะตัวไม่รู้มันจึงเกิดปัญหาอย่างนี้เราก็เปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเป็นปัจจาาัยการการเข้าไปรู้ตามลาดับเรื่องอิทัิปยาตาใช่ไหมไอตัวปัจจัยการมันเกิดกันอยู่แล้ว วมาดูยิบย่อยเลยะะอดูละเอียดเลยมาดูละเอียดยิบเลยละเอียดละเอียดนะฮะใช่ลอียละเอียดก็คือตัวกดของปจัจจัยการที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเนี่ย <Okay. S 2> พราอาศัยกันเกิดเมื่อมีอะไรที่เป็นโดดเดียวอ า, อาศัยกันว่าเกิดเพราะอาศัยดับดับอาศัยเกิดอย่างเงี้ยเป็นเป็นแรงผลักดันซึ่อ ก, กันด้วกันเพราะฉะนั้นทางดานวิทยาศาสตร์ว่ารูปกำลังก็ปแปลงเสองอย่างเลยนะกน็เจอให้กลับมาที่คําถามเดิมผมก็คือว่าถ้าผมเคลื่นแล้วผมก็รู้ว่าเออเกิด เพราะอันนี้เป็นสมมุติใช้นะในส่วนของกใช้แต่ความจริงการหยุดนะมันมีทั้งการเกิดการดับในตัวการเคลื่อนก็มีการเกิดการดับในตัวแต่เนื่องจากว่ามันเป็นความเราสมมุติออกมาใช้ว่าเออชีวิตจริงๆทุกอย่างมันมีแค่2 อ, อย่างนะมาจากต้นโตคือการเกิดการดับพูดถึงเกิดดับเนี่ย แต่ตรงนี้ต้องไปทำด้วยนะหาก็ไม่ทำมันจะเข้าใจไม่ได้แต่ที่อธิบายนี้อธิบายเป็นภาษาสมมตินะแต่การเกิดดบบที่แท้จริงจะต้องว่างคือเวลาผมพูดอะไรกับสนทนาอะไรกับหลวงพ่อเนี่ยมันจะเหมือนกับปุกโยงเสมอเลยคำถามที่เจ็ดเนี่ยเมื่อกี้หลวงพ่อเพิ่งพูดสมมติบัญยัติเนี่ยคำถามที่เจ็ดผมนสมัญญัติเป็นหลวงพ่อเทียท่านพูดบ่อยื่ออะไรครับสมมติบัญญัติการเกิดด้การดับผมโยงมาที่เริวนะ การเกิดได้การดับที่มันเป็นในกฎใน ต, ตัวตัวมันเราใช้ควาว่าเอ e น g y นะเป็นพลังงาน uh huh. การเกิดการดับขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกั น, น, นเป็นพลังงานอันหนึง่งและตัวพลังงานอันนี้เมื่อมันทำงานขยายวงกว้างกว้างวางวางมันจะช้าล ง, ช, าลงช้าลงชัดขึ้นชัดขึ้นตัวมอนิเตอร์ในที่สุดเนี่ยคือตัวปรามาตุบัญญัติและตัวถูกขยายออกมาเรื่อยๆ ปรามัตต์บรารากาศกิจ ท, ที่มันมันมีความเร็วหมุนจีก็เนี่ยนะมันเร็วมากที่มันรู้อะไรก็เร็วมากการรู้ทั่วไปในร่างกายความยิ่ตัวรู้นั่นเองเป็นปรามาตัตต์และตัวรู้ออกมาเป็นรูปเป็นนา ม, มารูปเป็นความผิดแต่จริงๆเดิมมันมีตัวรู้ตัวเดียวอย่างนีตัวรู้คือรู้แบบสัญชาตญาณหรือรู้แบบปัญ ญ, ญายาณถ้ารู้แบบสัญชาตญาณมันก็จะอยู่แต่วงนอกข้างอกไปจับจับ ตัวนั้นออกมาข้างนอกจากตัวหยาบเช่อนอย่างเราจะคนที่นั่งอยู่เนะี่ยเราเชื่อไหมว่าเดิมเราเป็นตัวสภาวะไม่ใช่ตัวอย่างนี้เริ่มตั้งแต่พ่อแม่เห็นกันตากระทบรูจมแล้วต่างพ่อก็มีความรู้สึกแม่ก็มีความรู้สึกแต่ความรู้สึกระหว่างที่ไม่ได้กระทบก็เป็นความรู้สึกล้วนๆเฉยๆนะเป็นความรู้ที่เฉยที่เป็นธรรมะนะแต่พอมากระทบกันปั๊บ นื่องจากท่านไม่ได้ฝึกตัวรู้ที่บริสุทธิ์คือตัวสติธรัญยะสัญชาตญาณทาหน้าที่เลยคือชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นนะแต่ถ้าชอบมันก็จ ะ, ะเร่งอัตรางความชอบเนี่ยให้ปรากฏเป็นนามารูปคือความคิดแต่ว่านามารูปนะและความคิดนี้มันเป็นที่ก่อเกิดเป็นที่ตั้งของอะไรของความอยากของนี้มีมากขึ้นละความอยากเพรามถึงสัญชาตญาณตั้งแต่เราเสพสุขมาแล้วว่าความอยากต้องการจํานวนเป็นตนัญหา แต่ท่านหายอยากขึ้นไปจงกระทั่งดึงมันร้อนทําให้คนสองคนนี้เจอกันแล้วไม่มีสติปัญญาที่รู้ทันได้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาสมมุติว่าเอออันนี้ชอบรักกันจนในที่สุดสองคนจากความรู้สึกเฉยๆมีอยู่เมื่อกระทบขายสติปัญญาที่เขาเปรู้ทันปั๊บเข้าไปอีกเป็นความอยากที่อยากพูดเล่นๆจนกระทั่งทําให้ความอยากทําให้รูปกำนางรูปนาำทั้งสองคนเนี้ยมาอยู่ร่วมกันกลายเป็นรูปหยาบออกมากลายเป็นคนออกมา แต่ความจริงมันเกิดรูปนี้เกิดมาจากนา ม, มารูปคือการดำบิ่งใช่ไหม mm hmm. เมื่อทำลายการดำริ่งที่เกิดขึ้นเพราะสติปัญญาญานนไม่เกิดมีแต่สติแห่งชาติญาสติญาคือเพื่อตอบสนองความยากแต่สติที่เป็นปัญญาญาจะออกมาจากความอยากแต่สติที่เป็นปัญ ญ, ญาญ น, นี่ยังไม่ได้ฝึกฝนเพราะฉะั้นจะไม่รู้เท่าทันว่าเวลาตาฉันเห็นแล้วฉันชอบ mm hmm. เอออันนี้สัจจะว่าชอบนะเราไม่ได้สร้างนามรูปขึ้นมาพอเห็นปั๊บ ว่าชบปับ๊บฉันไปไปไปไ ป, ไปไล่ตัวนามารูปมันออกแล้วจิตก็ยังเป็นตัวรู้เฉยๆกลัไปเป็นตัวรู้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดนี้ตัวสมมุติคือเป็นตัวที่ขยายผลมาจากตัวละเอียดที่สุดตัวปรมัตดแต่เนื่องจามันกดของการเปลี่ยนแปลงปรมัดก็ในตัวของมันก็มีการเกิดดับในตัวของมันแต่เป็นการเกิดดับที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรลูกเข้าไปปนนะฮะแต่พอมา ขยายผลจากการที่หลงลืมสติมีสติเยอะไม่รู้เท่าทันของการขยายผลตัวนี้ปั๊บมันก็กลายมาเป็นตัวรูปตัวรูปเองแล้วก็เป็นสมมติตัวนามแล้วก็เป็นปรมัตณ์รูปทั้งหมดไม่ว่าขยายมาจากทางในตรงหรืออ้อมนับเป็นแม่แตไม่เป็นผมยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจดูนะไม่ได้อธิบายที่ปรัมณ์มันจะเป็นสิ่งคู่กันกับสม<น>มุติบัญญัติเหมือนกับกายกับใจ ปรมัดก็คือความจริงแค่ถ้ผมความจริงดังเดิมความจริงแท้เล้วสมมติบัญญัติแลครับสมมติบัญญัติก็คือความจริงที่สมมติขึ้นมาเช่นเราเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นนัําเป็นนี้แต่ความจริงทั้งหมดนั้นให้กลับไปสู่สมุติเดิมของมันเรียกว่ารูปของเดิมเขาเรียกว่ารูปกับนามเกิดกับดับตรงนั้นคือปับเป็นปรมัตดนะฮะ แต่เมื่อเราไปขยายรูปเป็นอย่างอื่นเช่นว่าผมเห็นตัวนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปใช่ไหมครับแต่ก็ถกเมที่เราเราเป็นคนสมมติเป็นหยาดก็เราเรียกอ้นี้ว่ามือถือมือถืออาจจะไม่ใช่มือถือไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมันคือมันรูปอันหนึ่งนั่นเองมันรูปอันหนึ่งรูปอันหนึ่งตัวรูปนี้เป็นปณมัดสมมติเป็นหยาดอย่างเนี้เราเรียกมือถือถือว่าเป็นสมมติเป็นหยัดแต่สมมติเป็นัยาดนี่มันเหมือนกับใบไม้แต่ปนามัดมันหยาดเหมือนต้นไม้ต้นไม้จะมีต้นเดียว แต่ใบไม้มีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพราะนั้นจะขยายออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจุดนี้มันตรงกับไปหาต้นกุกเดือนท้งวันคือการเกิดและการดับคือพุ่นง่ายๆคือปรามาสคือความจริงแท้ความจริงบื้องเก็คือความจริงสมมติที่สมมติขึ้นมาเราเรีว่าความจริงเทียมก็ได้ความจริงที่ไม่แท้ก็ได้คือมันเปลี่ยนแปลงแต่ปรามาสไม่เปลี่ยนแปลงเข้ามาครับความจริงมีสองอย่างมีความจริงที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าสมุติชัดจนความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรว่าปรามาสชัจเจน โอเคปรมาที่ความจริงแท้คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนะคือปรามาสัจจะแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเรื่อยๆก็เรียกว่าสมมุติสัจจะนี่ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเข้าไปปรุงแต่งได้เรีวยกว่าสมมุติสัจจะแต่คนจริงที่เหตุปัจจัยเข้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงที่นั้นคือเรียกว่าปรมาสัจจะทึ่งพ่อเรียนใช้บ่อยนะแต่นี้ ท่านใช้บ่อยแล้ว่าสมมติบัญญัติสมมติบัญยัติผมไม่เข้าใจไงก็เลยแล้วอีกคํานึ่งท่ใช้ก็อนุญาตบรรยัติปณามบัญญัติสัจจะบัญญัติใช่ไหมครับบ่อยๆก็คือมันมีความหมายเดียวกันกับปัญญาอ๋อสติกสมาธิความความคงที่ของความรู้ตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวสัมพัญธะก่อนใช่ไหม แต่ถ้าความคงที่อันนี้ไม่มีสมัมผัสมันก็จะเป็นมิจฉาสมาธิคือมันมันมันไม่ทั่วมันเจาะเฉพาะเขาเรียกโฟกัสสมาธิที่เป็นคอนเซนเทรตเนี่ยเป็นโฟกัสแต่สมาธินี้มันเป็นรู้ทั่วทั้งทั้งกายเปน็นรู้ทั้งกายมันเป็นสัมผัสัญญาต์เพราะฉะนั้นตัวที่สติที่จะไปเป็นวิปัสสนาต้องผ่านสัมผชัญญะแต่สติที่จะไปเป็นฌานมันไม่ต้องผ่านสัมผััญญาแต่มันผ่านแค่ตัวสมาธิ เข้าไปสู่ตัวฌานเลยเพราะฉะนั้นตัวสมาธิแต่สติที่ไม่มีสัมปชัญญะนั้นก็จะเป็นสมาธินําไปสู่ฌานแต่สติที่มีสัมปชัญญะความรู้ร้อมขยายมันจะนาไปสู่ปัญญาวิปัสสนาหรือเรียกว่าสู่ญาณเลยนะครับสติสัมปชัญญะจะนำไปสู่ปัญญาปัญญาแต่แตถ้าเป็นสมาธินำไปสู่อะไรนำไปสู่ฌานคือการเพ่งการโฟกัสเขาเรียกแช่คำว่าตาบะใช่ไหม นั่สถิติประธานสี่จริอย่างที่หลวงพ่อเจนท่านเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคือคมาธิธรรมัญาติสถิติธรรมะญาติแต่ถ้าเป็นสมาธิโฟกัสเฉพาะจุดเฉพาะเฉพาะจุดมันจะเกิดอาการร้อนเพ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสมาธิญะติมันอาเกิดกระจายของการตัวรู้เข้าไปทั่วตัวใช่ไหมคำถามที่ไปผมจะแก้อาการเพ่งได้อย่างไร ตอนเนี้นะฮะเดี๋ยที่ผมเดินหลวงพ่อนี่เวลาที่ผมคิดว่าเป็นเวลาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นเป็นพรานไทยเนี่ยฮะพานไทยพานไทยก็คือเวลาเดินบิณบาบจากที่วัดเนี่ยไปที่ตลาดนะคมันเป็นมันเป็นมันก็เป็นป่าแต่มันเป็นถนนลาดยางเลยแต่มันก็สงบอากาศดีแล้วก็ เรานอนหลับมาเต็มที่มันก็สดชื่นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันมั น, ม, นมันลงตัวนะครั บ, รบเวลาผมเดินผมก็จะดูการเคลื่อนไหวของเท้าเลยซ้ายขาวานซะ้ายขว า, า, วาแต่ว่ามันเพ่ ง, งครับเดินไปสักพอสักพักบอกใกล้จะถึงตลาดมันจะเกิดอาการแกว่งแล้วก็คือว่าผมจะรู้สึกว่าตัวมันจะ ลอยๆใช่ไแล้วะมีการรู้สึกไม่มีปิติมีความรู้สึกเหมือนเมาบกนะฮะหลงพอก็คือว่าเหมือนพึ่งขึ้นจากเรือใช่ไหมแล้วพื้นพื้นเนี่ยมันโครงก้างโคลงนะครเขาเรียกเมาบกผมจะเกิดอาการเช่นนั้นบ่อยเลยเลยจะถามหูวเพาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผมไปแก้ยังไงตรงนั้นเป็นปิตินะไม่ใช่เพ่งหรมันก็ไปจากเพ่งนี่แหละ เพ่งแล้วมัเกิดปิติไเพราะเกิดปิติแล้วทําให้ตัวอาการของจิตมันเบาอาการของกายก็พอไปตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนสมาธิแบบนั้นมาเป็นสัมปชัญญะโดยการรู้ให้ทั่วหมดเลยไม่ใช่เพ่งที่ไหนให่จุดเพ่งที่ไหนอ่ะจะไปเพ่งที่ไหนถูกไหมเพราะในบ้านของเรามีแสงสว่างใช้อยู่สองปจะนึทท่านนึกออกไหมครับประเภทแรกเลยคือไฟแบบหลอดสก็ผมแก้ จะต้องแก้ทันทีเลยอ่ไปโฟกัสอะจะไปโฟกัสเฉพาะจุดให้ให้เรืลึกให้ย้ายไปให้ย้ายทั่วตัวถ้าเพ่งเฉพาะจุดเราเป็นโฟกัสล้วนึกถึงสมัยเราเป็นเด็กนะครับเราเล่นเล่นร้อเล่นนุ่นนะครับโฟกัสอากพระอาทิตย์้มมาเป็นร้อเหลือจุดเล็กๆใช่ไหมในที่สุดก็จะเบินให้ย้ายให้ย้ายไปให้ย้ายกระจายฮะกระจายให้กระจายให้ทั่วตัว เปลี่ยนสมาธิันให้เป็นสมาชัญญาเสียเปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นสมาชัญญาพรู้เปลี่ยนจากการรู้เฉพาะจุดมาเป็นรู้ทั่วทั่วแล้วเดิขหัวจุดเท้านี่นะ แต่ว่าบางครั้งมีหลังๆเนี่ยผมเริ่มจะจับทานได้ก็รู้สึกว่ามันตื่นนะฮะมันมีอาการตื่นบางวันนะฮะที่ที่มันรู้สึกไม่ริดไม่เพ่งนะฮะบางวันที่รู้สึกว่าสบายผมก็จะมีกวามรู้สึกว่ามันไม่หนักมันไม่หนักแล้วมันไม่รัวมันก็ไม่ลอยมันเป็นปกติทุกอย่างแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือว่าสัมผัส ไไชทางภัษาทั้งหน้าทั้งหกของผมผ ม, ผ ม, มันไวมากเลย <ไว S 1> อย่าง <ไว S 1> ผมจะได้ยินเสียงนกชัดขึ้นผมจะได้ยินเสียงนกที่อยู่ระยะไกล้ระยะกลางระยะไกลคือมันคือมันเหมือนกับมีมหูที่มันวิเศษพิเศษขึ้นมาหน่อยอมันมีกําลังขยายเพิ่มขึ้นออาการสัมผัสทางกายกชัดเดินผ่านลมผ่านเบามากนะผมก็รู้สึกเลยว่าลมผ่านเบานะครับ แล้วก็อันการการการขยับเท้าอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมั น, ม, นมันละเอียดขึ้นอย่างเช่นว่าเวลายกเท้าเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามีลมรอดผ่านในสมองใต้ฝ่าเท้าในช่วงที่มันยกขึ้น mm hmm. ซึ่งเรียนประภาษ ร, รมดาผมงไม่รู้เลยอย่าง <c oughs> น, นนี้ถือว่าแล้วผมรู้สึกว่าตื่นแหละตื่นตื่ น, ต, นตัวไม่ไม่โ <c oughs> ม่มงเหงาไม่ตึงไม่ไม่เคลิมเหมือนกับ ลมีากนทอย่างนี้ถือว่าผมปฏิบัติตัวะครับคือตรงนี้ถ้าหากเราเข้าใจว่าตัวสมาธิมันลักษณะที่มันเบาใมครับก เ, เบามากๆอาการเบ า, หาเหล่านี้มันจะทำให้อีซีประสาทของเราเนี่ยมีความไวสูงเขาเรียกเซนซิทีฟครับการรับรู้อะไรไ ด, ไ, ด ไ, ด ไ, ดได้ชัดมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสัมพัญญยะไม่ได้มันก็สู่ตัวสภาวะที่เป็นฌาน ฮ oh. ะหรือว่าจะเป็นฌานแต่มันก็จะช้าเพราะฌานจะทําให้เราสุขและสมบที่คันดุ๊กละเอียดแล้วก็ไปเสพเลยไปรู้ดัว <Yeah. S 2> อันนี้คือผลที่เป็นเป็ น, ปนสมถะนะ <Yeah. S 2> สมถะคือผลเสียหมดเราไปเสพแต่ถ้าสมถะที่เราไม่เสพมันก็จะเป็นสัมมาสมาธิทันที <Yeah. S 2> นะเพราะงะั้นการเปลี่ยนแสดงว่าคนส่วนใหญ่นะเขาฌานทีจะไปติดไปติดตรงนี้มันสบายไงมันสบายแล้วก็จะไปพอเสพ ก็ชำนาญแล้วมันจะกลายเป็นฤทธ์เป็นปฏิหารได้แล้วก็จะไปติดหนักไม่ได้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญามีสองระดับปัญญาที่กลายเป็นฤทธ์และปัญญาที่กลายเป็นหยาบแต่ในลักษณะของผู้นั้นต้องการปัญญาหยาบผมก่อนมาบวชนี่นะผมมีงานดะไรก็คือผมเป็นสมาชิกส่วนหลวงวาดรูปผมชอบวาดรูมากเลยแล้วก็เวลาวาดรูปเนี่ยผมจะมีรู้สึกว่ามี จะจบจจมีสมาธิอันนี้จะเรียนสองหลเพราะว่าในขณะที่ผมมาบวชเนี่ยมาปฏิบัติใ น, ในเทศที่เป็นสมณะใรื่อง้วรว่าการวาดรูปเป็นการผ่อนคลา ย, ยาเกี่ยบิยบทมันสมควรไหมครับมันจะมีผลอะไรกับการปฏิบัติไหมครับตัวนี้ตามหลักท่านบอกว่าสิ่งความปาะณีใดๆที่เป็นรูปทั้งหมดเนี่ยจะนําไปสู่กามาสวา กามาสวะกามสว ะ, ะกา ม, มาสวะก็คืเอเป็นการติดในกายเป็นการติดในสุขที่ละเอียดไม่ใช่ว่ากามแต่สุขที่ละเอียดคลุกที่ปราณีตเข้าไปอีกกา ม, มาสวะติดในสุขที่ละเอียดว่ารู้ก็ ถ, ถึงว่าเป็นกา ม, มาสวะกา ม, มาสวะหนึ่งที่มันสังสมเพราะมันร่วมกันทํางานทั้งกายทั้งจิตในเวลาเดียวและตัวนี้ท่า น, นจะออกมาเป็นรูปของอะไรสมร tha ขันสูงนะ แ้ของสูงแล้วตัวการมาสวะนี่ทําให้ไปติดอยู่ในพรหมไงพรมอยู่ในติดอยู่ในความละเอียดความละเอียดตรงนี้เขาติดอยู่ในพรหมมรูปนะลูปของพรมแต่สมมตินะเขาเรียกว่าเพราะนั้นพมอยู่ไปอริยะไม่ได้เพราไปติดอยู่ในการมาสวะคือสมาธิสุกในสมาธิขั้นละเอียดอันนี้เป็นรูปนะถ้าเป็นในถึงรูปถึงนามก็คืติดในฌานในสมาบัติ ที่เขเรียกว่าพรมพรหมต่างต่างเนี่ยพรมเนี่ยเขาอายุยืนมากใช่ไหมแล้วเพราะว่าเขเข้าไปสู่สมาธิขละเอียดแล้วที่จะอยู่ได้นานบางรัฐหลวงพ่อเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นอะไรมมนะฮะใช้คำพูอ๋อใช้คว่าพรมาภูมิเนาะแต่อยู่ที่พรไอริยภูมิไม่ได้็กําลังของปัญญาไม่พอถ้ากาลังปัญญาพอมันจะออกจากตัวนี้ได้ออกจากความสุข้ล้วผมก็ควรจะงด ก็ไม่ถึงว่าแปลงครับแปลงยังไงแปลงให้มาเป็นตัวสภาวะแทนที่จะไปจินตนาการเรื่องรูปอะไรมาเพราะจินตนาการมันสร้างนามารูปใช่ไหมครับไครับผมจะวาดการดูของจริงเลยเห็นผมเห็นเห็นต้นไม้แสงกระทบสวยก็จะวาดใช่เป็นจารสติก็จริงแต่ว่าพุะดิฉัาบอกตราบใดที่ไม่สิ้นอสวาเนี่ย การไปให้ความละเอียดต่อรูปต่างๆลังไปแคเกิดไปเสริมกําลังของการาเสวนไปเสริมกำลังกำลังของปามาสวั <ไป S 1> สดซึ่งตัวนั้นมันจะทําลายได้ยากกิเิตขั้นละเอียดอเป็นกิเขั้นละเอียดแล้วมันจะทําลายได้ยากเพราะฉะนั้นในช่วงไหนเมื่อใดเราสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยการวาดรูปหรือไม่วาดทุกเรื่องความหมายที่สําคัญล้เพราะเราเราพ้นจากอานาจทุกมันแล้วถ้าเราจะวาดมันก็จะเป็นรูปอีกแบบหนึ่งไม่ใช่รูปแบบที่เราครับ ดูเแอสแฟกมากขึ้นหน <c oughs> อนเป็นอะไรเขาเรียกว่าใช่ไเป็นแอสแฟกมกขึ้นแทนที่จะทอ้อออกมาให้เกิดความรักความชังแต่เป็นภาพที่คน ม, มีปัญญาเท่านั้นจะรูอกออก้เอาอย่างนี้ท่านถืมา่าวดเยอะนะตอ น, เ, น, น, น, นเป็นผู้อยี่สุด่พวกเซนทั้งหลายเขาชอบวาดดูใช่ครับเพราะนั้นพวกนี้คำถามผมว่าแล้วทำไมเซนผมเชื่อว่าเซนนั้นก็บรรลุธรรมในระดับหนึ่ ผมได้บอกแล้วว่าถ้าเราสิ้นอาสวะแล้วเนี่ยตัวสัดทอดออกมาที่เป็นศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นราคาศิลป์แล้วแต่เป็นพุทธศิลป์ใช่ไหมเป็นพุทธศิลปะดังนั้นภาพต่างๆที่ออกมาที่เป็ น, น, น, น, ป น, น, ปนพุทธศิลป์เนี่ยนะก็ออกมาจากญาณปัญญาของพระอริยญา น, นั่นเนองเพื่อเป็นสิ่อความหมาให้เกิสภาวะภายในเอาแต่ว่าอย่างเนี้ถ้าผมยังว่ารูปอยู่ตรงเนี้เท่ากับผมไปให้เชื้อของการมาสวะยังให้เชื่อการมาสวาบแล้วพระเหล่านั้น ท่านไม่วาดเลยแล้วอยู่ๆท่านจะลุกขึ้นมาวาดได้ยังไงอ๋อนั่นหมายความว่าท่านสินอสะวะแล้วไง<อ>เพราะสิ้นอสะวะแล้วจะวาดภาพได้ดีกว่า น, นี้ได้ลึกกว่า น, นี้ได้ละเอียดตัว น, นี้อันนั้นมัมนมีน2องแต่วัดก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่วาดเพราะว่าเท<อ>่าท่านยังยังไม่ชิน้นอสวร<ถ>ท่านถ้าสิ้นอสะวะศิลปะมันเกิดขึ้นด้วยวทุ น, <อ>นะวัตดศิลปะในการนําเสนอในการลูกเสี ย, ยงกินรดองต่างๆท่านจ้ะอันนี้แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละคนนะบางคนไม่มีแล้วผมไม่กควรวาด อ๋อในต้องวัดถามตัวเองว่าเราสิ้นอาศาวะวิชอบในสิ่งที่เราว่าอยู่หรือยังชอบอยู่ตรงนั้นอาศาวะยังมีอยู่แต่เมื่อไรที่เราต้องการสี่ควหมายไม่ได้แสดงความชอบไม่ชอบแต่ต้องการเป็นอุบายทำตรงนั้นเราก็ทําได้มาอย่างดีออใช้เป็นอุบายทำแต่สิ้นอสวรรค์ใช้เป็นอุบายทำไ ด, ำได้แล้วก็เขาเรียกต้องมีเรียกวมีคุณสมบัติท่านใช้ก็ว่าอะไรนะทาที่มีคุณสมบัติพิเศษอ่ะผมเคยสนา น, า, นาทำผม ถ้าลูกหนึ่งที่ท่านบวดภัยนะะภัยถ้าใครรู้สึกว่าใครจะมาท่านแช่เขาอัตตาณนะ <c oughs> มาณัฎฐานโะทมะอัตตาเกิดสกฤติทิฏฐิและสกยติทิฐิทุกคนมีความรับตัวโปรตายความฉันชาติยานอยู่อ้แล้วก็ตามที่รู้สึกว่าโดยเฉพาะเราจะคิดตอนที่เราหนักเราเหนื่อยนะฮะไความหนักเหนื่อยนี่เป็นภัยอันหนึ่งที่เราเรากลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครมาสร้างความหนักความเหนื่อยให้เรายะ ักายะทิฏฐิเป็นสขสลาย ส, สเสือนครับรศสกายะทิฏฐิกายาทิฏฐิเนี่ยความสาคัญมันหมายตนเองว่าเรามีดีกว่าเราแย่กว่าอะไรต่างๆการเปรียบเทียบระหว่างตนเองเลยคือมีเรามีเขาอะนะฮะสกายาทิฏฐิัวนี้เกิดจากสัญชตาตญาณในการยีไพสกายะทิฏฐิ เพราะความทุกข์เป็นภัยอันหนึ่งไม่ว่ากายว่าใจก็ตามมึงก็จะต้องเอาตัวเองเนะี่ยให้รอดออกจากภัย น, นั้นถ้าหากว่าภัยนั้นเนื่องมาจากผู้อื่นมันก็จะเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเกิดมานะขึ้นมาครับเข้าใจแล้วครับคือคือผมพยายามจะหาสาเหตุมันด้วยมันจะได้ แก้ให้ดับเพลียตัวนั้นออกนะครับครเพลียแล้วนั่นออกแต่ดับใดที่เรายังไม่เจริญสติสัมปชัญญะจนกรท่าไปถึงขั้นเห็นรูปนามตามคนจริงนะเขามันจะละสกิรยัิอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ให้เห็นรูปนามเพื่อที่เห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามมันไม่ใช่เราคนอื่นเขาก็เป็นรูปนามก็ไม่ใช่เขาเหมือนกันทีนี้ถ้าหากเราไม่เห็นรูปนามตามคนจริงแล้วสําคัญว่ารูปนามนี้เป็นเรา คือต้องต้องไปแก้ให้ตรงที่ว่าเห็นลูกน้าตามความจริงเพราะเห็นรูกนามตามความจริงเนี่ยมันจะลดอัตราได้สามจัวนะครับตัวแรกคือตัวนี้ตัวสกยติทิฏฐิเนี่ยอันที่สองคือความลังเลสงสัยในรเรื่องของ ความตื่นรู้เบิกบานจะไม่มีอีกต่อไปมันจะหายสงสัยเรื่องตื่นรู้เบิกบานบในานามของพระพูทธพระธรรระสงค์นะครับอันที่สมสิ่งที่เราทําอะไรมาดีๆเนี่ย <c oughs> มาเมันจะไม่สําคัญมั่นหมายในสิ่งที่ดีที่เราทํา <c oughs> ว่าเราทำมันก็เป็นความดีของเราเขาไม่ทําก็เป็นความไม่ดีของเขา <c oughs> เพราะนั้นเราจะไม่ว่าเขาขเราแต่แต่ตสิ่งนี้เยื่ความดีและไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ของใคร แต่ว่าใครเอามาใช้กับคนนั้นก็ดีเองถ้าคนอื่นเขาไม่ใช้เขาก็ไม่ดีเท่านี้มาแต่เราทีนี้ใครจะมาว่าเราดีหรือไม่ดีหรือไปหนึ่งและที่พิธีกรรมพวิเนร่ต่างๆที่เราคนนั่นเคร่งทีนี้ไม่เคร่งทีนี้ทํำตัวทำปีไอตัวนี้มันจะเบ ร, รับแต่ตัว น, นี้มันผมก็รู้สึกดีขึ้นเยอะมาก อ, อาจจะมีความบางวันในที่รู้สึกบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ไม่หนักเหมือนกับสองสมเดือนที่านมาแลัวก็ค่อยลดลงเรื่อยๆทั้งหมดทั้งปนขึ้นอยู่กับกําลังของ ทีส่สมะทัยยะที่เป็นสัมมาทิฏฐินะถ้าตัวนี้เข้มขึ้นมากเท่าไหร่ไอ้สามตัวนี้กค่อยลงลงลงตามลําดับแต่เมื่อไรที่ตัวนี้เข้มและได้รับรูปนมนำรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจได้ชัดเจนเนี่ยไอ้ตัวนั้นก็จะหมดไปโดยปริยายซึ่งสัญญาณแรกที่ที่เราจะต้องเข้าสู่ประตูธรรมคือตัวนี้ก็ตัวเห็นตัวสัจจะทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนสักจะทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่สักยะทีนี้ก็ยังถือว่าเป็นมิจฉาทิถีแต่มันไม่แรงเหมือนมิจฉาทิถีนะแต่เราสําคัญร่างกายผิดมันก็ไปทําให้ใจผิดปกติเราเปลี่ยนว่าเออถ้าเปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิถีปั๊บนี้เราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแต่กายนี้เป็นที่ตั้งของทุกคนอื่นก็เป็นที่ตั้งของทุกเหมือนเราสองทุกนี้มีที่ไปที่มาแล้วก็เริ่มเริ่มหาที่ไปที่มาของทุกอันนี้สามทุกนี้สามารถจะดับได้เรามีวิธีดับด้วยเข้าใจวิธีดับ เบื้องต้นเข้าใจรูปน้ำแค่เข้าใจแค่ไอ้ยศสี่อย่างเพราะพอเรามีมิจาทิฏฐิแล้วก็ไปยึดมั่นถือว่ามกายนี่เป็นของเราเป็นของเราพอกายนี่เป็นของเรามันก็มีความเป็นตัวกูอ่าเป็นตัวเราของผูขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันพอเราปฏิบัติรูปน้ำได้ถูกต้องอนุนี่ยพอมาเห็นว่าตัวนี้มันไม่ใช่ของเราเป็นของความทุกข์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันไอ้ตัวนี้มันก็ค่อยๆย่อยสลายไปไอ้ตัวสกิยทิฏฐิเนี่ยพอมาเห็นว่าความ พี่กี่กลับไปที่เรื่องอสมมุติบัญญัติกับปรมามะนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันเป็นสมมติบัญญัติอันไหนเป็นเ ม, มือ่อเมื่อเราเข้าใจรูปนามชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตัวรูปนั่นเองจะเปลี่ยนไปเข้าใจในสโคปที่กว้างกวางขึ้นครับจะสามารถขยายเมื่อก่อนเราเห็นว่ารูปของเราของเขาใช่ไหมครัแต่พอมาเห็นว่ากายนี้โอ้มันเป็นที่ตั้งของทุกแลก้กันที่ตั้งของทุกมันไม่ใช่เป็นที่ตั้งของของเรา มันก็จะเห็นตัวเป็นนดำก่อนนะเป็นดำนี่เมื่อก่อนเราเห็นตัวนี้ยตัวทุกเนี่ยว่าเป็นเรามันทุกมันต้องเกิดตัวนั้นก็ไปสม่มความันหญ่ตรงที่เราเห็นทุกเป็นเราแต่ว่าเห็นเราเป็นทุกเห็นทุกว่าเป็นทุกเห็นเราว่าเป็นเราเราไม่ใช่ทุกทุกไม่ใช่เราทุกนี่บาบัดได้แล้วเขาไปบําบัดทุกทุกทางกายก็บําบัดเป็นทุกทางใจก็บําบัดเป็นในที่สุดตัวที่เราบําบัด ไม่เป็นหรือคนทูลไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับคือตัวสมมุติบัญญัติแต่ดูให้ดบว่าบบเป็นแก้ไขเป็นจัดการเป็นนี่เป็นปรามัดวรรณะเป็นรูปเส้นหนึ่งที่เหลือเป็นนามหมดเลยแต่ที่เหลือนั้นสามอย่างเป็นนามไม่ล้วนคือสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองแล้วเวทนาผมเข้าใจว่ามันนามอ๋อเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นทั้งรูปนามได้ไหมถ้ามันมารับรู้เวทนาแปลว่ารับรู้ใช่ไหม เวทนาที่มารับรู้ความเป็นไปทางกายเรียกว่ารูปนามเวทนาที่ที่มารับรู้ต่อความเป็นไปของรูปถ้ารับรู้ทางกายจะเป็นรูปนามก็เป็นรูปนะฮะแล้วถ้ารับรู้ทางใจนะฮะถ้าไปรับรู้ทางใจโดยที่เป็น นนตัว<า>คิดนะเอามาเป็นตัวคิดก็เป็นนา ม, มารูปเวทนาถ้ารับรู้ทางกายก็เป็นรูปนามเป็นรูปรูปนามก็คือกายให้รูปแน่นะกายให<ช>้ <ๆ S 1> รูปแต่ถ้าไปรับรู้ทางจิตออกมาเป็นเรื่องคิดด้วยก็หรือว่าความรู้สึกพอใจไม่พอใจเท่ากัว่านามมารูปเฮ้ยแกเนั่ยผมก็งองอยู่ว่าเพราะผมผมมันจัดมันอยู่ใน หมวของของของขอ ง, ของนามเลยใช่คือหลักๆนนเนี่ยรูป ก, กับนามนี่มันเป็นปรมัติตน ะ, ะแต่ถ้าเมื่อไวไปปนตัวรูปเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นสมมุติทต์ทันทีรูป ใ, <ช>ในในส่วนเป็นรูปเนี่ยมันยังเป็นปรมัติตอยู่แต่รูปในส่วนที่มันเข้าไปปนกับนามมันเป็นสมมุทต์ลนะผมมีควมรู้ ผมก็ตัวอย่างหนึ่งคือปกติเนี่ยผมหายใจหรือนอนหลับเนี่ยผมก็เป็นหลับสบายปกติแต่หลังจากบำบัดนี่มนเนอะไรแบบกตฏิบัติโอ้ย่างแบบว่าบางทีตั้งใจเกินไปเนี่ยบบางครั้งผมนอนแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาท้อถึงหยุดหายใจเหมือนกับว่าผมกั้นหายใจโดยโดยโดยไม่รู้ตัวแล้วเหมือนกับหายใจไม่ออกตื่นึ้มาแบบ ตะลี <neg. S 2> ตะเหลืองหายใจมันเกิดอะไรทีเมื่อก่อนเปลนไม่เปลนมาเปลนเพิ่งเป็น่หเพิ่งเป่ยเพิ่งเป็นตอนมาบุตรค e ือเนื่องจากว่าสมาธิจิเนี่ค่อนข้างสูงแล้วเราไปเล่นกับลมหายใจอานาปานนี่นะแล้วเราไปเพ่งมันพอไปเพ่งมันนั้นบางทีผมเคยเป็นเป็นตัวแข็งอนี้นะใช่มเหมือนกับว่าหยุดหายใจอ่ะเหมือนกับเราหยุดหายใจเลยแล้วก็ตาลีดลเหลืองหายใจ แบบเหมือนกับาล็เป็นโรคชนิดหนึ่งหรือเปล่าที่เพราะว่าเขาหายใจแบบหายใจไม่เต็มนะมีอยู่คนหนึ่งชื่อดาปิงนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอิซอมเนีย อ, อิสซอเนียกนงะเป็นโรคชนิดหนึ่งทางกายนะเป็นคนที่หายใจไม่เต็มแล้ ว, วาหายใจมันจะขาดที่มันเป็นโรคอันหนึ่งที่ที่เขาเป็นอยู่นะลักษณะ น, นี้บางทีต้องใช้อะไรคียอยุบรอกใช่ไหมยุบปอเป็นโรคทาง ที่ปกติทางกายครับจะจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่มันมั น, ม, น ม, ามาถึงวัยที่มันจะเป็นนะนะผมเจอเด็กคนนึ่งมาปฏิบัติสัมปชัญาวันคาที่แล้วที่เขรู้สติเนี่ยเขาเป็นโรอันเนี้ยเวลาเขาเป็นโลคที่าหายใจมันหยุดเองอพราะางั้ก็ต้องพอมันหยุดปุ๊บาต้องตื่นบ่อยเพราะตื่นบ่อยแล้วก็ต้องรู้สึกนอนไม่เต็มที่มันปัญหาเรื่องนอนนอนไม่อิ่มเนี่ยนะวิธีการไปหาหมอหมอแก้ด้วยการให้ นอนก็ให้ครอบอบที่เย็นแต่มันเป็นการแก้ทางกายแก้ทางกายแต่ถ้ามันเป็นทางจิตก็หมายถึงว่าเราไปเพ่งลมหายใจนะเพ่งลมหายใจที่เพ่งไปเพ่งมามันละเอียดก็เลยดเข้าลมหายใจมันหยุดมันละเอียดนะมันละเอียดเกินใช่ฮะผมชอบเวลานั่งอย่างอนาปาผมก็รู้ว่าตมมัค่อยๆละเอียดมันละเอียจนมันไม่รู้สึกว่าเราหายใจอยู่คือตรงนั้นเสภาวะจิตกับสภาวะ ร่างกายเนี่มันยังไม่สอดรับกันอย่างพระอริยเจ้าท่านเข้าฌานเข้าสมาบ uh, <Yeah. S 2> ัติเนี่ยท่านก็เหมือนไม่หายใจนะแต่ท่านบอกอนนั้สภาวะธรรมลับทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนธาตุขันของท่านมันเปลี่ยนแต่ธาตุขันของเรายังยากยังไม่พร้อมอันนี้ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราไปไปทําตัวนี้ซะก่อนเนี่ยมันจะมีมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายกายก็จะได้รับอันตรายได้ถ้าผมแก้โดยการที่ฝึกให้หายใจยาวๆลึกๆ่เป็นประจำมันจะแก้ได้ อ่าเ k t นี่แหละจะช่วยได้ยเยอะเราไปดูเ <HK T. S 2> อ็กเคทีก็เอ่อหรื อ, อของคำถามแล้วหลวงพอ่อเพียท่านพูดทำอย่างนี้ครับท่านบอกเวลาเราสนทนากับคนอื่นนะครับเองผมเนี่ยสนทนาบบนครับหลวงพ่อเนี่ยให้เรามีสติอยู่กับตัวเราเอง 60% อร์แล้วอยู่ในบทสนทนา ความคิดที่เราใช้ในการสนนนานา 40% ทำยากมากเลยครับเพราะเวลาผมสนนนาครับหลพ่อรู้กับใครก็ต่างผมจะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เลยคือปัญหาเดิมก็คือว่ากาบใบที่ยังไม่รู้รูปนามกลางควาเป็นจริงเราจะ บาลานไะนั่งเยอยากมากเก้าขั้นตอนไคา้าปเด็นตอนไปไม่ได้ต้องไปดูร้ลูกนามตามคนจริงแต่คนจริงท่านไม่ว่า6กสิิไม่ใช่สามสิบเดสิบที่ท่านไปเลอ๋อจังปัดอะไรอื่นถ้ารูปรูปนามแล้ ว, วลมันจะส0มสิบเปอร์เซนีครับแต่ตําลงหลังเดยรู้สิคนจริงเวทนาเกษติมันทำงานร่วม ก, กันนะถ้าไม่ได้รับยินรับฟังจากประเณนิ้ที่สคัญว่าเวทนานสติศ มั น, น, นคือเรื่สติสัญญาณที่เคลื่อนไหวตามเป็นสัญญาณพอเมื่อได้ยืนได้ฟังจากการลยนณีจากนังสีลก็ดีจากเทพบดีจา ก, กวาอาจารย์หรือจาเคลื่อนดีเราเริ่มแยกออกอ๋อสติที่เป็นชัทยานคือทําน้ทาทีอย่างนี้ ค, คื อ, ค, อคือตามออกปกภนอกสติที่มันพุ่งไปสนลีข้างนอกนะอา่เดีเดี๋ยวไม่ถึงส0 20% ยอตในบางครั้ง แ, แต่ละทีอินอได้มากน้อยนะแต่ทำอะไได้เจริญสติตามความเป็นจริงถูกต้องแล้วเนี่ย เนื่องจากเรามาดูเวทนาทางกายเป็นหลักดูแก่เวทนาทางกา น, น้ำหนักที่ตอกย้ําเป็ น, นเวทนามันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดเวลาเกิดอะไขึ้นปั๊บเนี่ยเวทนาที่มันเป็นโดยฉันชาติญาณเนี่ยมันดึงจิตจะมาได้อาศัยตัวนี้เป็นชักยันย์เพราะฉนั้นต้อเปลี่ยนเวทนาให้เป็นสมัยสติลักษณะอย่างนี้เองแต่ถ้าเราไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเราก็ไม่มีความพยายามที่จะมารับรู้แบบเวทนาทางการใช่ไหมเราก็จะแช่อยู่นั้นจิตของเราเนี่ยมันจะอยู่ กับทุกเวทานานานไมาได้มันจะดีดออกเพราะฉะนั้นผู้สัญชตาตญาณเนี่ยจึงจิตมีนจะดีดออกจากกายเพร<ฮ>าะฉะนั้นไอ้เวลาในการปฏิบัติทราบกันปอดไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ใ<อ>ัมันมันเป็นธรรมชาติท <laughs> ั้งมันเลยเดี๋วันนี้ให้เวทนาให้ดูเวทนาให้ชัดแล้วก็ผมตอนเนี้ยฝึกจังหวะผมเพิ่มเข้าใจแล้วปฏิบัติต้องนะครับผมยังไม่ได้เห็นท่านสร้างจวะให้ผม คร ท, ที่ปฏิบัติทํานี้ตลอดไหมครับครั้งถ้าลกมือปฏิบัติคือได้อยู่ในระดับนี้ตลอดอยู่ในระดับนี้ตลอดครับจะนานแค่ไหนก็ตามนะครับไม่ผมไม่พยายามเร่งเพราะว่าสําหรับผมแล้วถ้าผมผมเคยทําเร่งนะฮะผมเคยทําเร็วขึ้นนะฮะผมจะไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวหรืออะไรเลยมันมั น, ม, นมันทำโดยอัตโนมัติซึ่งผมว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ เ, เลยว่า มันช้า น, นิดนึงแต่ว่าให้มันรู้ทุก ข, ขั้นตอมือมือมีอมอเคลื่อนนะมันหยุดนะมันเคลื่อนนะมันหยุดนะอย่างนี้ถูกต้องนะที่อย่างนี้นะคืออาการแบบที่เดียวเราจะติดสมถะปฏิกรนี่การการยกเนี่ยมันเป็ น, ปนมันจะยืดเป็นสายครับนะไอ้ตัวยืดเป็นสายทำให้น้ําหนักของตัวรู้เนี่ยมันไปปูกกัดกั น, นเองชัดเจรแลมันจะไม่ค่อยไปรับรู้ที่อื่นครับ <c oughs> จะเหตุ ใ, ให้กลาเป็นสมถะแต่ความจริงแล้วนี่ก็คือเป็นผลรวงจากการติดสมถะนี่สมถะนั่นเองทิธีแก้ไม่ใช่ไม่เร็วไม่ใช่ช้าแต่ว่าที่ผู้เจื่อใช่ว่าปานกลางหลวพ่อลองทําให้เป็นคือรับรู้ต่อสองขณะคือรับรู้ต่ตตกอนนกันเคลื่อนเหมือกันหยุดเพราะฉะนั้นเราจะมีนิสัการเคลื่อนเหมือกันหยุด หยุดกเน้นที่การหยุดอ่าเน้นที่การหยุดไม่ต้องเน้นที่กัรเคลื่อนไม่ต้องถ้าเน้นที่การเคลื่อนมันจะเป็นบุกเป็นดับบุเพราะว่าปัญหาก็คือว่าที่สมถาเพราะว่าผมไม่งั้นผมไม่ทันผมดูทั้งเคลื่อนทั้งหยุดไม่ทันโอ้ถ้าทั้งสองอย่างแล้วมันมันเป็นอำนาจของสมถะอ๋อให้ผมดูเฉพาะที่หยุดเท่านั้นแค่หยุดเท่านั้นนะแต่เคลื่อนนี่จะไวไงก็ได้แต่มันเน้นที่การหยุดให้ชัด แต่ว่ารู้ชัดชัดให้รู้ชัดตรงที่มันอยู่รู้ชัดตรงที่มันอยู่เพราะในเรื่องของอเยบทนี้วิธีการสร้างโยมมาจากอเยบุตย่อยนะรู้ชัดครับแต่ว่าหลวงพ่าเขียนท่านเกีนท่านพูดว่าเส้นตัวด้วยอยู่ในในทุกเส้นมันมีอยู่อยู่ใช่ไหมมันแต่ว่ารู้แต่แค่ไม่เรียกว่ารู้หนักรู้เบารู้คําว่ารู้ชัดกับรู้ตั้งใจรู้แบบเพ่งตัวอย่างนะนะรู้ชัดเนี่ยเขาว่า Úng, จะจำรแบบู้เฉพ่อยจําหัดถ้าชชดว่ามันขึ้นขึ้นแต่ถ้าหาวไปเพ่งมันเนี่ยมันจะเป็นสายแต่ผมรู้สึกว่ามันเพ่งเพมันรู้สึกมันแข็งแกร่งการจเป็นพูดดีๆเพราถ้าสร้างจังหวะช้ามันมีกระเล็กเส้นแต่ถ้าสร้างจังหวะตามเมันก็โซ่มันก็โซ่ท่านจะแชดว่ติดต่อไปเหมือนลูกโซ่ แต่ไม่ได้ต่อนเมือเหล็กเส้นนะเพราะเหล็กเส้นมันใช้ประโยชน์ไดไม่ได้มันไม่ยืดหยุ่นใช้จะประโยชน์ได้แนวเดียวแต่โซ่นี่ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างที่จะใชนเชือกก็ได้ใช้แทนอะไรก็ได้ศักษณะาจาเป็นมัชชิมาถ้าหากว่าสวยธีเทคนิคก็คือให้เน้นที่ให้ชัดให้ชี่หยุดชัดที่หเดี๋ยวผมจะไปลองดูเพราะนั้นเวลาเราไปเดินนะอาจารย์ไปเดินท่าอาจ เดินด้วยครับอวิธีที่ดีเดบเดี๋ยว่าผมจะดูจะดูน่จดีดูับก็คือดาวงมเอามือให้หลังไนี่หมายถึวกที่กี่เราไม่เห็นอะไรนะคิดึงเดินสบาย ถ้าเมื่อไรคิดเริ่มคิดเริมแข่เริ่มเรอง้เี๋ยวเาเยวที่หลวงพ่อู้กันนะครับว่าพอเราเริ่มมีกำลัง่อนแ้เราต้องต้อง่งเอาเพิ่งกำลังสร็นที่การกลับทีให้มันเร็วขึ้นหน่อยเรวขึ้นแรงขึ้นนิดนึแล้วก็กำลังของเศรษฐีถ้ากำลังรษฐีอ่อนคิดมันก็เริ่มขยับ เคลนไปดับรู้อะไรข้างนอกไวขึ้นนะนะให้เร็วขึ้นแล้วก็มาเ น, น้นพัดดนคือสร้างจังหวะัที่จิตของเราไม่คิดอะไรก็อยู่ในระดับปกติปันการไปรู้จังหวะหยุดระเนที่นั่นเสมอย่างี้นะ แต่ตอนเมื่อใดถ้าจิตกาลังง่วงกลังเหงาคงแต่คงสั่นเราจะรับระดับนี้ไม่ได้นะต้องเร็่วขึ้นต้องเร็วขึ้นการหยที่เรียวละดังขึ้นแต่จังหวะที่มันหยุดให้ชัดตรงนั้นให้ชัดตรงนั้นนั้นผมมาฟังการบรรยายของท่านอาจารย์มนุษย์เพียมนุชธรมทานครูมนุษย ท, ที่สอนอกจิตเวพรู้รว่าแค่ไปเรียนเศารเรือ่องไอจิตเวทไอจิตวิามาจาก ฮาวเร์ดเนะี่ยใช้เวลาถึงสิบสามปีนี่เขากลับมาเมืองไทยจะมาสอนอยู่ละไรฉันก็พยายามไปก่อนจะเป็นกีอนจะเป็นศิินนี่นะเบอกว่าวันหนึ่งมีคนไข้คนหนึ่งที่เป็นข้ขาประจํบบาบงแกนเนี่ยมันหายไปหายไปประมาณเดือนเสียันกลับมาอีกทีอาการมันดีขึ้นเลยนี่ก็ก็แปลกใจว่าไปไ ป, ไปรักษากับใครมาอบอกว่าผมไปลองไปทดสอบวิธีปฏิบัติแบ บ, บยกมือที่วัชน้ำในเหมือนัอ้นแล้วแล้วเขาสอนอยังไง ยกมือสาธิตให้ดูัางพอดีเข้าพบหมอนี่ชั่วโมงได้สี่รอนะแต่คนไข้บวันนี้ผมขอพบไม่ได้มาพบหมอนะขอพบก็คุยไม่ต้องไม่ต้องคิดค่าชั่วโมงน ะ, ะนี่ให้ถามว่าหลวก็อเทียนเรียนเรื่องนี้มาจากไหนเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะที่แกไปเรียนมาสอนสามจุดนี้เพราะพลังชีวิตที่มันเกิดโดย โดยโดยท um, enfin um, uh, so? uh, ุกคนมันมีขุมพลังอยู่สามจุดหนึ่งหน้าขาสองหน้าเสืใช่ไมสามหน้าอกแก็ไปกเอาแค่เรมงิกว่าปีแล้วหลวงพ่อเทียนไปดูเรื่องเนื้อจิตไหนมาก็อยากจะพบหลวงพ่อเทียนนะไปยิ้มมุนหลวงพ่อเทียนไปไปทำบุญอยู่ที่ใดคุณเจ้าอย่าก็คุยกับหลวงพ่อเทียนไปเลยแกเป็นลูกศิษย์ไปโดยไปเลยเป็นศิษย์แล้วก็เชื่อมันโอ้โหผมวิสาการเรียนมาสักสกว่าปีเนี่ยคุณพิงหลวงพ่อสอนอยู่ที่ทำไมผมถึงเสียเวลา ที่จยอมรับเลยนะการแตะสามขีดเนี่คือการตัพลังของชีวิตใช่พลังชนล่างก็คือหน้าขาวพลังชนหน้าท้องพลังชบนข้นหน้าอกแล้วก็ทําจุดท้ายผมเ็นัจุดบอรคุณชยใจชัวหนดวยังครับเดี๋ยวผมูนไม่เป็นไร จะไปรอที่ตรงนี้เพาได้เวลาฉัน้วครับครับครับเล็กเล็กนึงจะช่วยขีนรถให้รอาจารย์หนอ่งขี่รถฟระอาจารย์ เราทำไม่็นไม่ไรใดูปัจนีはは้ได้ลูก็ไม่ยอมใช่แล้วยอมไม่บายวันก่อนแล้วจะไปเมาที เดี๋ย